เราจรันพรท่านสาธุชนพุทธบุญศัท์ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้มีเหตุขัดข้องไฟฟ้าที่กุีิดับแล้วเมื่อคู่นี้มีรูกสิธิ์เขาไปเอาสายไฟต่อมาจากกุฏิหนึ่งมาเชื่อมก็เลยสามารถเปิดคอมได้เปิดไฟฟ้าได้ดวงหนึ่งก็เลยคิดว่าถึงแม้ว่าจะสายไปหน่อยก็คงยังอาจจะยั ง, ยงมีคนร อ, อ<ม>ฟังรอชมอยู่ ก็ไหลเข้ามาเดี๋ยวก็าคงจะมีคนเข้ามาอีกเย้เพราะว่ามันในสดแล้วคงจะมีการแจ้งเตือนไปสดตอนนี้ก็มีคนดู32คนนะเฟซบุ o กก็เอาคุณหมอพิเชษก่อนเนละคืนนี้คุณหมอเชิญมีอะไรก็มามาตามนักสกัดพระจาจาร์ครับตอนแรกก็แล้วก็ไม่มีแล้วก็ ก็เปลี่ยนชุดนอนเตรียมเตัียมเต็นท์ต่อมาก็เตรียมเตรียมจะเข้านอนเหมือนกันอยู่ดีๆก็มาคอประตูบอกไม่เอาสายไฟมาให้แล้วต่อสายต่อไฟมาให้ครับเราก็นองดูเวืรอกีกคุณอาโทรไปบอกก็เลยรีบเข้ามาวันนี้ขอบาเมตาพระอาจารย์ได้อธิบายบุญที่แท้จริงคือความสงบของใจครับพระอาจารย์ คือบุญที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือบุญที่เกิดจากการชำระ ก, กิเลสด้วยวิธีการต่างๆที่พระเจ้าส อ, สอนในบุญญากิริยาสิทธิ ป, ปการนี่เป็นวิธีชำระ ก, กิเลสเช่นทานนี่ก็ชำระความตหน่ความโลภนะเราทำทานแล้วความโลภน้อยลงความตหนรน้อยลงใจก็เกิดความสุขขึ้นเหลมากขึ้นกายไม่ฆ่าสัตว์ การรักษาสี่งแลก็ลดลดความอาฆาดพยาบาทลดความโกรธมันก็ทําให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นการักษาสิ้วถ้าภาวนาก็ทําให้ใจสงบ ใ, ใจสงบแล้วแล้วการทํางานของกิเลสตันหาไว้ยอกิเลสตันหาไม่ทํางานความสุขก็ ความสงบว่าเกิดขึ้นความสุขที่เกิดจากความสงบก็เกิดขึ้นซึ่งเป็นความสุขที่สูงสุดคือรอเซ็น์ลยถ้าสามารถทำจิตใจให้รวมเป็นสมาธิได้จิตก็จะสงบนิ่งได้ความสุขรอยเปอร์เซ็นเพียงแต่ว่าเป็นความสุขชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาพอาจิตนั่งคิดปรุงแต่งกิเลสปัญหามันก็ออกมาตามออกมา พอดิเลตทา ง, งานความสุขกค่อยๆลดน้อยถอยลงไปนะบางทนะีความทุกข์ก็กลับเข้ามาได้เกิดความโลภความอยากความโกรธต่างๆขนะึก็เราใช้ปัญญาท่านท่านอยู่ในระดับปัญญานะพิจารณาสิ่งที่เราโลภเราโกรธ ว, ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังหน้าตาถ้าเราไปอนิจจังทุกขังหน้าตาเราก็ไม่รู้จะไปโลภขึ้นมา โลกกับสิ่งที่จะต้องไม่เที่ยงโลกกับสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าไปโกดจะไปโกดจะดี น, น้ำลงไฟกอกกันหน้าตา่างมันก็ไม่ต้องจะไปโกดใช่อไหมก็มันจะทำให้ตัดความโลภคาวคามกดคาวามหลงตาล่างๆได้หมดได้เห็นตายรักเห็นอริยสัจสี่ความหลงคือการไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นตายรักนี่ พอเราเห็นทุกอย่างเป็นตายรักเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากได้สิ่งที่เป็นตายรักมันก็เลยทุกเพราะมันมันเป็นของที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราต้องการให้มันเที่ยงต้องการให้มันให้คาบสุดกับเราแต่มันให้คาบสุดกับเราได้เหนียวเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปเปลี่ยนไปมันก็ทํำให้เราทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นระดับสูงสุด มันจะทําให้จิตสงบนิ่งร้อยเปอร์เซ็นแบบไม่มีวันเสื่อมเพราะกิเลสต่างๆจะถูกทําลายด้วยปัญญาเมื่อปัญญาเข้าถึง้มันก็จะไม่หลงต่อไปยามันจะไม่กลับไปหลงอีกเหมือนกับรู้ว่าชื่อเราชื่ออะไรเมื่อก่อนจําไม่ได้อันนี้จําหน้าชื่อนี้ชื่อนี้มันก็จะไม่หลงอ่ะอันนี้ก็คือ เมื่อนั้นรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนร่างกายก็ไม่ใช่เราแรงงานก็ไม่เราไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราไม่มีตัวตนอยู่ในสิ่งทั้งหลายก็เลยไม่รู้จะไปยึดติดกับอะไรก็ปล่อยวางให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติะจิตก็ไม่จิตจิก็ไม่ยึดไม่ติดกับอะไรกับจิตเองก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ยึด ก็จิตกรู้เข้าใจถึงธรรมชาติของตัวเองว่าก็เป็นแค่ผ่านรู้ท่านั้นเองอันนี้ก็คือบุญต่างๆแต่บุญสําคัญเนี่ยบุญหนักเนี่ยทานศีลภาวนาแล้วก็บุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันนี้สําคัญมากถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเราจะไม่รู้จากวิธีสร้างบุญต่าง ๆ, ๆขึ้นมาแต่เราพอเราฟังธรรม เราก็จะเรียนรู้จักวิธีสร้างทสร้างความสุขภายกับเราขึ้นมนาะก็คือทำทานรักษาศีลภาวนาเป็นหลักฟังเทศน์ทำธรรมเราจะได้รู้จักวิธีการทำบุญได้ถูกต้องส่วนบุญอย่างอื่นก็เป็นบุญส่วนย่อยบุญที่ถ้ามีโอกาสก็ทำไป ถ้าทําบุญแล้วอยากจะอุทิศบุญให้กับผู้ร้องรับไปก็แบ่งบุญที่เราทําได้ให้กับผู้ที่ร้งรับไปหรือถ้ามีใครเขาทาบุญแล้วก็เป็นร่วมอนุมโ ม, นนนนทมทนาสนับสนุนเข้ามาทุโมทนาแสดงความยินดีความที่จะสนับสนุนช่วยเหลือให้บุญงานบุญนั้นสําเร็จรู้ร้องไปด้วยดีอแต่ถ้าอนุมโมทนาด้ปากช้เฉยก็ไม่ค่อยได้อะไรเพราะมันไม่ได้ มันไม่ได้รรเสียสารอะไรแต่ถ้านุทนาด้วยด้วยการกระทําอำทําำช่วยช่วยงานเขาบางทีเราไปร่วมมาร่วมไม้ร่วมมืออะไรอเ่างนี้หว่าถ้าเราต้องขอขอใช้สถานที่บางส่วนของเราเช่นบ้านติดกันย่อกำบูนเขาเขาอยากจะมีที่จอดรถอะไรอย่างนี้แล้วก็ความสะดวกให้กับเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุโมทนาด้ว ไม่ขัดขวางการทำบุญของกมันรับสนุนอันนี้ก็ทำให้เรามปความสุขทำคุณทาประโยชน์็จะบ่ารละความเห็นแก่ตัวละลาอัตตาตัว ต, วตนลงไปความหลงแต่บุญหลักก็มีอยู่สี่เนี่ยฟังเทศาทางธรรมแล้วก็ปฏิบัติทานเสียงภาวนาวใจก็จะหลุดพ้นจาก ความทุกทั้งพวงมีแต่ความสุขอยู่เพียงอย่างเดียวตลอดไปนอนอมนำไปปฏิบัติกับอาจารย์กลับ <Okay. S 2> กับบางคนอย่างสูงครับนี่กลับไปนอนได้แล้วคุณหมอเดินอยู่อยู่ต่อ อ, อีอกครึ่งชั่วโมงครับอาจารย์โอเค okay. ท่านต่อไปก็คุณสาล ก, กาจากใจนาทจียวจะไม่ได้เจอกันทลังตัวนี้ อันนี้จารย์คะอาจารย์ได้ทำมาหลายอย่างค่ะอาจารย์นะแล้วก็เห็นที่ของ อ, อาจารย์ก็คือว่าอาจารย์มีเมตตาคือมีความมุ่มานะในการต่อไปแล้วก็เตสซูมค่ะอาจารย์ไม่หรอกมันเป็นเรื่องของลูกศิษย์เขาผู้ศากษไปหาสายไฟมาต่อจากอีกอีกกุฏิหนึ่งมาให้ที่กุฏินี้ให้มีไฟใช้ที่นี้ชั่วคราว อ่ายก็มืดสนิทเลยไม่มีไม่มีแสงสว่างเลยเราก็ย้อนกลัไปถึงตอนที่เราอยู่บนเขาก็าสบายดีตอนเมื่อก่อนอยู่บนเขาพอมือดเข้าก็เอาวานานอนเพราะไม่มีแสงสว่างลูกก็ลูกก็ทาใจว่าว่าอันนั้นแหละลูกก็นึกถึงธรรมะว่าจาย์เทศใบบอสบอกอันนี้จางการิจดไม่มีอะไรแน่นอน มันต้องมันต้องเจอของจริงถนงจรู้ว่าใจเราเป็นยังไงใจเราวุ่นนอไม่วุ่นถือว่าอุตสาวว่าวันนี้นั่งนั่งสมาธิเข้าไปได้ไม่ค่อยได้ละปุ้งเด็กขวไฟดับนิด่งมอาจารย์มาฟังทรรมค่ะโอเคค่ะไปที่คุณนโมกับคุณคุณยาย ได้ชื่ออะไระคุณคุณยายกับสันโดรนะอ่าแต่วันนี้มีชื่อพิเศษคุณน้ำโมชื่อกล่าวชื่อเดิมครับพรจันท์มีอะไรจะบอกพระจานทร์ไหมเตอสามเตอบอกท่านเลยยายพูดไม่ค่อยสูงตอนแรกยายเขาจะให้แป๊วบอกเขาว่าอ่าพระจันทร์ในวันนี้ไม่มีซูมเพราะว่าเพราะว่ามีปัญหาเรื่องไฟ แล้วก็คุณยายเขาก็หรอหรอคราวนี้เขาก็เตรียมตัวจะไปดูทีวีจะไปอะไรของเขานะผมปุกเข้ามาในห้องเขาบอกว่าพระจารย์กลับมาแล้วเข้าสู่เธอรู้รู้ได้ยังไงมีมีการแจ้งเตือนไปเลอมีมีนหลาบอกมาถ้าไม่ได้นหลานี่คงแย่ ครับพระอาจารย์ครับที่ตลกคื อ, อตอนนี้ละครโปรดของคุณยายใกล้จะถึงโค้งจบแล้วพระอาจารย์มาพอดีผมเลยบอกเนี่ยพระอาจารย์ต้องภูมิใจในตัวยายแน่เลยดูสิละครใกล้จบยายเลือกพระอาจารย์มากกว่าละครต้องอ <c oughs> ต้องฝาท่านก่อนค่ะยัะงกลับไปดูได้สอนใช่ไหเดี๋ยวก็เสร็จท่านมาเลืกถึงท่านก่อนคับ <c oughs> ทำได้ทั้งสองได้ทั้งทางโลกได้ทั้งทางธรรมก็ดีอมีอะไรไหมวันนี้อันนี้ก็การปฏิบัติก็เหมือนเดิมครับเป็นพยายามปฏิบัติต่อเนื่องฮะมีสติมากขึ้นครับอาจารย์อันนี้พูดแบบรวมๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ลงรายละเอียดนะอาจารย์วิชาโครงกระดูกผมมันเริ่มหายอีกแล้วอ่ะมันมามาไปไปอาจารย์หน่มต้องกลับไปเพิ่ม ต้องทำให้เป็นเป็นนิสัยทำทุกวันเรงพยายามทำทุกวันอย่างน้อยก็ไม่รู้หลักกี่ราก็ทำได้ได้แล้วกลางวันเนย็นก็ยังดีกินอาหารสามมื้อก็ให้อาหารทางใจให้ปัญญาทางใจสามสามมื้อด้วย ก่อนจะกินอาหารแะจะพิจารณาร่างกายก่อนร่างกายที่กินอาหารนี่มีอาการ32มีผมมีขนมีเล็บฟันเป็นต้นครับอาจารย์รับทราครับแต่เวลากินอาหารกินได้ทำไมสอนใจให้มีปัญญาทํำไมสอนไม่ได้เพราะทำไปพร <c oughs> ้อมๆกันก่อนจะกินอาหารก็พิจ <c oughs> ารณาร่างกายอาการ32ผู้ที่กินอาหารนี่คือใคร ก็คือผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกะโหลกครั <laughs> <laughs> อบราอบจาอบจารย์ชาวพิษชาวพิษไทยก่อนที่เขาจะกินอาหารก็ยังต้องมีการขอบคุณพระเจ้าเลย <c oughs> ใช่ไหมเราขอบคุณพระเจ้าที่จัดสรรอาหารนี้ให้ข้าพระเจ้าได้รับประทานอเราก็ขอบคุณปัญญาที่สอนให้เรารู้ว่านั่งกายของเรามีอาการ32 ที่มาจากอาหารเนี่ยอาหารที่เราจะกินนี่ก็เอามาแสริมมาการทาน12นี่แหละถ้าไ ม, มอาหารเนี่ยร่างกายก็พผอมชุกแล้วก็แห้งกรอบตายไปแล้วนะใช่ครับ <c oughs> ดับซับอนุอนบายต้องทาอยู่ต้องฝึกทําหนูก่อนจะกินอาหารพิจารณาร่างกายได้วยังพิจารณาสาร12ข้างอย่าง า น, นี้ก็เข้าไปเพื่อไปเสริมอาการทานที่สองใช่ไหมอ่าไปไ ป, ไปเปลี่ยนนะของเก่าออกมาของที่ใช้แล้วเอหมนก็อาของใหม่เข้าไปเสริมเอาท่านใหม่เข้าไปเสริมท่านเก่าก็เอาท่านเก่าออกมาทําให้ผมยาวขึ้นเนี่ยทําให้อ่างกายยังทํางานได้อยู่เพราะอาหารที่เราเข้าไป พอมกับน้ำกับลมที่เราหายใจเข้าไปกับความร้อนอ่าก็ลองพยายามถัวใครเป็นนิสัยมันจะไดะ้มันจะได้มีปัญญาถ้าจะถ้าจะปล่อยไปแบบนี้มันก็เนี่ยเป็นแบบกระต่ายมันดีกั่นี้ขยันพิจารณาโอ้โหวิ่งใหญ่ มานล้วขี้เกียจก็ลืมไปเลยเอาแบบเต่าดีกว่าเอาเแควันละสามครั้งก็พ อ, อทำทุกวันทำไปได้เลยมาแล้วสามครั้งเนี้มันจะทําให้เราไม่ลืมเราเรามีอาการ32ร่างกายเรานี้มีอาการ32แต่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราเป็นเพียงผู้มาสั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆให้กับเรา แล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องมันก็ต้องยุติลงแล้วธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันก็จะแยกออกจากกันไปทางน่างกายเข้าใจไหมคิดบ่อยๆแล้วต่อไปเวลาร่างกายเวลาจะได้ไม่ใจจะได้ไม่ตกใจจะรู้ให้เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นร่างกายเราจะไม่ตกทำไม ถราตกก็แสดงว่าเราหลงหลงไปยึดว่าลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายถ้าใจเราเฉยถ้าเขาเป็นอย่างนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนี้เราเป็นทาตรู้เราเป็นมนุษย์สร้างคนเราเป็นผู้มาสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับเราแล้วเดี๋ยวมันก็จางเราไปเราก็ไปของเราต่อ ถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ไปก็ไปหาร่างกายทำไมถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่ต้องไปต่อไปยุติการเกิดแ ก, ก่เจ็บตายโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับจะกลับไปจะกลับไปปฏิบัติเป็นเต่าครับทำง่ายไหมมารักลา3มือ ส, สามครั้งทุกครั้งก่อนจะกินอาหารมัน พเอมผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมากกว่าสามครั้งแต่ว่านักทานจะกินจุกกินจิกอาแต่เมื่อหลักก็เอาแต่เมื่อหลักหรือทุกครั้งจะกินก็พิจารณา่อนก็ดีเยอะเลยนะเยอะเลยนะครับนักปฏิบัติใช่ไหมว่ากินจุกกินจิกถ้ า, าฉันวันละมื้อเขาก็อยู่ได้นย ถือคติว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องครับแต่ก็พระอาจารย์นะบางทีผมก็แอ บ, บเนียนบางทีก็อยากใจนึงอยากถือศีลแปดครับพระอาจารย์แต่ว่าอีกใจนึงก็แบบโอ้แบบไม่อยากถือผมก็เลยแบบบางวันก็แบบหกโมงหกโมงเชา้าถึงแบบห้าโมงเย็นถือศีลแปดอย่างหงห้าโมงเย็นให้จนถึงหกโมงเช้าก็ถือศีหลห้าครับพระอาจารย์ อันนี้พอไว้นะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเองต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะอะไรอยาไรอยู่ที่ตัวเองครับอาจารย์ก็พยายามพิจารณาอยู่ครับอาจารย์แต่อย่างที่พ่ออาจารย์เคยสอนอะ่ะบางทีพอเราพิจารณาอาหารมากๆ ม, มันกลายเป็นกินไม่โลกครับอาจารย์แต่พรมันต้องพิจรารณาต่างๆอาจารย์พอเป็นยา อันนี้ไม่ได้พิจารณาประอาหารเราพิจารณาร่างกายผู้กินอาหารแล้วก็พิจารณาอาหารด้วยกันดีเหมือนกันอาหารก็เป็นของปฏิกูลถ้ามันหิวมากๆช่ว ง, งที่ช่วงที่ยังไม่ถึงเวลาจะกินน่าจไปกินเนี่ยควรจะพิจารณาปฏิอาหารปฏิกูลได้ ก, กินแค่ช่วงอาหารกินช่วงช่วงที่ไม่เป็นมื้อหลัก มันอาหารอย่างอื่นก็เวลาจะกินก็คิดถึงความเป็นปฏิกูลของมันบ้างมันก็จะได้เราการกินอาหารลงได้กินตามเวลาน่ะอย่ากินจุกกินจิกกินตามความอยากป้าจันบางทีกิเลสมันร้ายครับป้าจันมันไม่มาในรูปแบบมันมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงนะป้าจัน ก็ผมก็ต้องต้องมาฟังทำเรื่อยๆจะได้แก้กิเด็กได้ตอนตอนนั้นก็น้ำหนักลดไปนิดนึงแต่พอ ห, าหา่างหายไปจากพระอาจารย์ประมาณสองอาทิตย์มันเริ่มกลับมาใหม่มผมผมผมถึงผมถึงต้องเข้าซูมีบ่อยๆครับพ่ะแจเเนต้องพยายามมาเข้าเลยเอยเนี่ยเข้าห้องเรียนจะได้เรียนจบ อ่าเข้ามางไม่เข้ามากเดี๋ยวสอบตกทั้งเวลาสอบสอบตกนะครับไม่ทำฟันบ้านครับอาจารย์จะพยายามเรียนญญให้จบครับเป็ยังขอให้สุขภาพแข็งแรงนะแต่เพื่อนแค่ท่านให้มีกำลั ง, <c oughs> ม, ลงมีกำลังได้ดู่ละครต่อไป ยายไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ทำนิดหน่อยนะคะส่วนมากก็ไหว้พระสวดมนต์ตลอดเลยกับทุกวันเลยค่ะอืมค่ะโอเคนะการถ่ายทอดผ่านอย่างแรงค่ะคนเกิดบันดิดกันดังฟังอยู่ว่าแบบอยู่กับอาจารย์เพิ่งถึงบ้านครับ ไปไปไ น, นวดะอาจานมานแล้วนะครับอันนี้เปน็นนวพระอาจารย์ใช่ค่ะใช่ครับวันนี้ท่านก็บอกว่าวันนี้อากาศร้อนคับมาแล้งแต่เช้าครับแล้วก็อุณหภูมิวันนี้ที่กรุงเทพก็สูงอยู่ครับอาจารย์อืมวันนี้ท่านก็รู้สึก ว, ว่า35อย่างพอดีแต่ว่ว า, าวแต่ว่าจริงๆ35ครับแต่วห้องของอาจารย์นี่ร้อนไหยครับไปดับตอนนี้ครับก็นิดหน่อยก็พอพอพอ คนได้นาะแต่ที่วัดก็ยังต้นไม้กรุงเทพไม่มีต้นไมก็ร้อนอยูรย์อันนี้เป็นเมืองสคัญแล้วฝ่ามอยู่ดี่ดีกว่าดีเข้าต่อไฟมาให้มาต่อไฟมาให้ช้เชือกขาวมันจะทนได้ตาบ้าเลยครับก็ไม่ได้ไปขอร้องใครไม่ได้ไปบอกใครเขาเาะอย่าง้วไม่มีไฟ กรณีคือกุฏิที่ว่านี่มันมีแบ่งเป็นสองสายสายกุฏิเรามันไฟมันเสียเออีกสายหนึ่งกุฏิข้างๆกามีไฟล้มต่อไฟจะลากสายมาให้ให้มีปลั๊เสียบไฟเสียบเล่นของได้ก็อะไร่อแล้วแต่บนแต่กรรมแลอวธรรมะจัดสรรวันนี้เป็นโปรแกรมธรรมะจัดสรรจริงๆ มีอะไรไหมทำใจใช้ชีว <ขอ S 1> ชิตกีฬาด้วยครับดีแบอกแจ้งทำใจไอ้เป็นการยินดีไม่ยไม่ยินดียินไล่ตามมีตามเกิดทั้นโดดนมีก็เจอกันไม่มีก็ไม่เจอกันในโอกาสจะเจอกันก็เจอกันไม่เจอกันก็แล้วไปต้องคิดว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปยึดไปอย่าไปติดกัะอะไรทั้งนั้นเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คนรู้เลยคระบอาจ์วันนี้ก็ยังเห็นเฟซบุ๊กของพอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องอย่าไปโกรธเสียดใครค่ะบก็ยังแชร์ไปทุกเดือนครับเหมือนอ่านแล้วก็ได้เป็นอ่านแล้วก็ทับใจครัอาจารย์ผลตัวเราอังกฤษมันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจเราเป็นเหมือนมะไร็งนะทำให้ใจเราเครียดใจเราทุกจริงครับก็ตอนนี้ก็พยายามไม่ยึดว่าเราไปปฏิบัติหลวงพ่อก็ เราก็ขยายมคิดว่าเออเราทำหน้าที่แล้วก็กลับคับอาจารย์ไม่ถึงว่าต้องไปมีโจวย์โดนไปแบบเป็นเยี่ทีอะไรอย่างเงี้ยไปแบบเป็นแถวไปแล้วเป็นเป็นคนรับใช้ไปก็วันนี้ก็อหลวงพ่อท่านกับก็จะช่วยทีมที่ที่เขาจัดสถานที่ครับช่วยเขาเก็บเก็บเสร็จก็กลับออันนี้ก็เป็นการทํานุนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินใต้ทองอนะครับ จริงครับอาจารย์โอเคครับถ้าไปตาต่อไปนะไปที่คุณาศาสตร์ที่เท็กซสัามามาสจากนรมรรการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอมาลองฟังเจ้าค่ะโอเคมีไปที่แมริแลนด์คุณซอลินตอน วันนี้ได้้ามาเรไหมนะนกลับมาราชการจายมรยมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะพระอาจารย์ยมก็จะไปหาอะไรทานแล้วเมื่อกี้นี้แ ล, แล้วก็เตรียมเรียบร้อยขึ้นมาถึงเห็นมีแมส a g e มาบอกว่าพระอาจารย์หลายฟิก็เลยเข้ามาโชคดีมาก้างเลยค่ะพระอาจารย์ตอนแรกใจก็คิดว่าโอ้ยตายแล้วจะไม่ได้ฟังสุ่พระอาจารย์รู้สึกเหมือนอะไรมันขาดหายไปในชีวิตค่ะพระอาจารย์ ทั้งๆที่ก็ฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกวันนะคะแต่มันมันมันเหมือนมันไม่มันไม่ลงเลยอยู่ในใจนะโยมได่ไม่ไหวเลยค่ะพระอาจารย์พอเหมือนกับว่าพอรู้ว่าจะไม่ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์มันมันรู้สึกว่าโอ้มันเสียดายอะค่ะพระอาจารย์เสียดายก็เลยต้องรีบเข้ามาค่ะพระอาจารย์อ่ะโยมก็ไม่มีคําถามค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์เหมือนกันค่ะโอเคสาวเจะปฏิบัตินะ จ ะ, จะเจนะ้าค่ะตานศิลภาวนาค่ะพระอาจารย์จะไม่จะไม่ลืมเด็ขดขาดค่ะพอ า, าจารย์คุณยศสวัสดีไปญี่ปุ่นมาเลยเห็นซาโวล่าบานนะพระอาจารย์หนูไม่ได้เปลี่ยนเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้หนูหนูตั้งใจว่าจะไม่เข้าซูมค่ะเพราะว่ารู้สึกระอายใจกับพระอาจารย์กัะโดนกิเลสตีแตกมาตั้งแต่สงกรานจนวันนี้ยค่ะแล้วก็ทานมื้อเย็นด้วยมัน มันเหมือนเครียดแล้วก็พยายามที่จะพิจารณาอาหารเก่าอาหารใหม่มาตลอดทางที่เดินทางกลับนะคะพระอาจารย์แต่ซูไม่ไหวก็เลยสับมือเย็นไปก็รู้สึกผิดไม่มีหน้ามาหาพระอาจารย์ค่ะก็ไม่ไม่รู้หรอกค่ะว่ามีปัญหาอะไรกันค่ะพระอาจารย์จนมาเปิดโน้ตบุ๊กค่ะแล้วก็เปิดยูทูบเฉยๆเลยพระอาจารย์ก็เห็นพระอาจารย์มาหนูก็อะเข้าก็ได้ทีแรกเลยพอเขาคุยกันอยู่ว่าเนี่ยพระอาจารย์จะไม่มาหนูก็เลย ก็หลอหลอก็ก็ไม่เศราบค่ะอาจารย์แต่ก็ได้เข้ามากราบก็ดีใจค่ะอย่างน้อยก็ได้เจออาจารย์เจ้าค่ะอย่าเป็นเ<ล>สียว่ามันปิดเลยเป็นเดี๋ยวเว่าเราสอบตกด้วย่าอือพยายามแก้ไขพยายามทํว่าสอบให้มันผ่านให้ได้เมื่อวานถือสินแปะก็สินแปะนองแมนค่ะอ า, า, าจารย์เพราะว่ามันไม่ได้วอร์มมาก่อนแล้วมาถือสินแปะเลยมันยังเผลอทําเพลงบ้างอแล้วก็ อย่างที่พระอาจารย์เคยบอกหนูว่าให้ฝึกสองอย่างอค่ะมีสติกับเรื่องของไม่รักไม่ชังไม่เกลียดอะไรนะค่ะก็คงจะเป็นเรื่องหลักของหนูที่ต้องฝึกต่อไปเหมือนกันค่ะพระอาจารย์อืมต้องฝึกเด็กนั่งสมาธินะจิตก็จะสงบไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วก็จิตก็จะมีความอิ่ไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆไม่หิวกับอาหารไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ต้องขามหายต้องพยายามะั้กสติเมืแต่ตืนขึ้นมาจนนับพยายามคอยควบคุมความคิดให้มีสติอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายกันได้า้าบริการพูดโทรไม่ไหวก็ก่อยดีว่าตอนนี้เรานัาง ก, ากันลองทำอะไรอยู่เราทำร่วมไปกับร่างกายอันนี้เป็นเหมือนอินกับจันเป็นแฝสายแฝงสยาม ร่างกายเป็นเหมือนแฟดสัญญาณแต่ใจมักจะนีหนีร่างกายไปพล่อยร่างกายทําเลยตามลำพังมัในใจก็ไปคิดโน้นคิดนี้ไปแม้กระทั่งกินทานยาไปแล้วก็ยังเลมวมาทานยาแล้วเพราะว่าใจไม่ได้อยู่กับตัวนะคะใชเวลากินมันใจึ้นอยู่แล้วเหมือนอยู่พ อ, ขอกินขอขอกินแต่ได้ไม่คิด้กินได้อย่างวะอ้าวจ้ะบางทีก็ ปิดประตูเองนะคะพระอาจารย์เอาใครปิดประตูก็แต่ก่อนจะเป็นนะคะเดี๋ยวเยวนี้ไม่ถึงขั้นนั้นแต่กินยานะ่ยมีงงๆบ้างคะ่ะช่วงนี้เรื่องเยอะคะ่ะพระอาจารย์อเป็นอาการเพลสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับร่างกายพยายามเผลอใครมีสติอยู่กับร่างกา ย, ายกายะกตาสติเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาร่างกาย จิตแล้วก็เคลื่อนไหวไปกับร่างกายมันเป็นมนันเหมือนคู่คู่เต้นลำใไปเต้นลำสมัยก่อ น, ม, น, นมันต้องจับคูบกไไ่กันเต้นหลำสมัยก่อนเขาเต้นลำเก็ต้องจับมือกันจับไม้กันหมุนไปด้วยกันไปด้วยกันร่างกายกับใจก็ควรจะเป็นคู่เต้นลำนะควรจะไปไปด้วยกันร่างกายทําอะไรก็ไปกับร่างกายอย่าไปที่อ่น ค่ะอาจารย์ลองทำดูนะมันทําได้นั่นจำเป็นจะต้องมีเวลาไปหยุดปฏิบัติเนียถ้าเราเวลาปฏิบัตินั่นเมื่อไหร่มันจะได้ปฏิบัติทันทีเราต้องปฏิบัติทุกทุกโอกาสที่เราเรามีอยู่ซึ่งเราสามารถปฏิบัติสติได้ทุกเวลาตั้งแต่เรียนต่างขึ้นมาก็ปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเรีนต่างข้ามาก็ดูดูร่างกายตอนนี้ร่างกายเราอยู่ตรงไหนอยู่ในอิริยาบหไหน อยู่ถ้านอนนะโอเคกำันจะลุกขึ้นมานั่งนะโอเคกำลังจะยืนนะกําลังจนเดินนะไปกับร่างกายตลอดทุกทอย่างหมดฝึกไปใหม่ๆอาจจะพังเพลิบบ้างแต่ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยมองใน uh huh. ช่วงเช้าก่อนที่เราจะไปทํางานก่อนที่เราจะไปเจอใครช่วงที่เราเตรียมตัวเนี่ยอาบน้ำน้ำหน้าแปรงฟันแต่งหน้าแต่งตัวนี้เราฝึกสติได้อย่าง เยังต่อแน่เลยอย่างนี้ก็ชั่วโมงล ะ, ละงลนะถ้าจะปฏิบัติจริงๆริงไม่้นะแยกคึกสติชั่วโมงช่วงเช้าตอนนี้จะไปเจอใครก่อนที่จะไปพูดอะไรค่ะพาร์จันได้ค่ะค่ะพาร์จันหนูจะพยายามค่ะคิดซะว่าสอบตกก็สอบใหม่ถ้าเกิดคิดว่าตีแตกแล้วมันเหมือนกับสลายไปยังไงก็ไม่รู้ค่ะ มนีนร <า S 1> น่อมันมีสติมากขึ้นแล้วมันก็จะทําใจให้สงบได้ง่ายขึ้นใจสงบแล้วความหิวก็ไม่ค่อยค่อ ย, อ ย, อ ย, อยเกิดเท่อือครัคโอเคนะขอบพระคุณขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์พัดขันไปงานปอค่ะอ่แม่น้องหลินเป็นงไงมันก่อนพาใครพาสามีมาเะยมาใส่บานใช่เจ้าค่ะกับสาธุค่ะพระอาจารย์พอดีไประยองไปงาน อาสงการวันต่อมาก็ไฟไหม้เลยเจ้าคะ่ะที่ระยองอ่าจ้าคา่อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะ<ช>ไม่เกี่ยวกับเราหรอกวันนี้มันเป็นจังหวะที่มันจะเกิดต้องเกิดเลยเช้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยออกเวลาไประยองก็จะแวะไมใส่บัตรก่อนค่ะพระอาจารย์ที่ชนบุรีแล้วก็ไ ป, ไประยองต่อคะ่ะ ค่ะพระอาจารย์หนูก็พูดเรื่องประเด็นของหนูนะคะพระอาจารย์ในการปฏิบัติหนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์คือหนูดีใจมากเลยค่ะพระอาจารย์เพราะเพราะว่าหนูก็อยากรู้ว่าถ้ามาเป็นพยาบาลอาการของผู้ป่วยแล้วถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราจะมีความรู้สึกยังไงแล้วก็เลยเข้าใจคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคทางสมองอะค่ะพระอาจารย์ที่มีปัญหาทางด้านร่างกายหนูก็เลยสงสัยว่าอ้าวล้ว ถ้าในสายของการปฏิบัติอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ทําถ้าแล้วหนูหนูหนูเคยแบบไอเราอยากรู้วิธีอะคะ่ะพระอาจารย์ก็กายกับใจแยกกันได้หรืออะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยพยายามปฏิบัติมาเรื่อยๆจนมาเจอพระอาจารย์เนี่ยคะ่ะเพราะว่าหนูติดด้วยจับความอยากความอยากหายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วงแรกๆมันก็เลยทนความปวดไม่ได้พอ มาฟังทาจากพระอาจารย์อ๋อหนูมารู้แล้วปัญหาหนูไปติด จ, จากความอยากอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็เลยเหมือนสลัดนะคะพระอาจารย์มันเลยไม่ทุรนทุรายเจ็บร่างกายอะ ค, ะคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ปวดร่างกายมันก็เลยทิ้งเลยกลายเป็นมาทํางานได้ดีเลยเจ้า ค, ะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ครั้งต่อไปหนูก็จะไปผ่าเกี่ยวกับผ่าเส้นประสาทใช่ไหมเจ้า ค, ะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยมองว่าเป็นบทรอบนี้เป็นบททดสอบ ขงหนวค่ะพระอาจารย์คือช่วงที่ผ่าสมองเนี่ยแรงพลังมันเหมือนจะน้อยคือแบบตอนที่ใส่ท่ออย่างเงี้ยค่ะเหมือนยังไม่เยอะแต่ว่ารอบนี้ที่หนูจะไปผ่าเนี่ยค่ะพอาจารย์หนูว่าหนูจะลองดูว่าที่หนูมั่นใจว่าบททดสอบหนูดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหนูจะทนความเจ็บปวดได้มากขนาดไหนอะค่ะะอาจารย์ตั้งแต่การใส่ท่อช่วยหายใจแต่ว่านหนูว่าหนู ชินด้วยแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูพาตัดต้องแต่ขาทิงสมองเลยค่ะเขาก็เลยตกใจอะค่ะพระอาจารย์ว่ายังไม่ไปเหรออะไรเงี้ยค่ะยังจะรอดอยู่เราหนูก็น่าจะรอดแหลคะค่ะรอดยังทํางานได้ผลจากการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์พยายามทํา ใ, ใ, ทใจให้เฉยไว้ทั้งยังอะไรจะเกิดก็ไปไม่เกิดไปแล้วก็รับรู้ไปสักแต่ว่ารู้ไปาาเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก็เล ย, ย, ยนะสาธุค่ะหนกก็เลยใช้ร่างกายเต็มที่เลยค่ะพระอาจารย์ เยวก็แบบประมาณว่าตายก็ตายอะยองเลยจะได้รู้อาการของผู้ป่วยด้วยละเจ้าค่ะพระอาจ า, okay. ารย์การพระอาจารย์ค่ะการรับประทานอาหารมันก็เลยละเอียดขึ้นเหรอเจ้าค่ะปกติเวลากินอะไรก็จะรีบกืนใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่พอเป็นอาการแบบนี้ต้องทานอะไรที่ช้าลงอะค่ะอยู่กับอาหารแบบเหมือนพิจารณาอาหารไปด้วยหรือเจ้าค่ะพระอาจารย์การเคี้ยวการกืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็เลยมีสติเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่การกินการกินการพูดอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้เราสติให้ให้มาสตินี่เป็นธรรมีิสําสคัญที่จาเป็นในทุกกรณีฝึกได้มากเท า, า ย, ยาก็จะควบคุมจิตได้มากขึ้นไปเท่านั้นคุมกิเลสได้สาธุค่ะโค <Okay. S 2> ่ะ ใที่คุณนิสาที่เอาเ อ, าเอาต่อคุณนิานนสากล่าวนามสการค่ะพระอาจารย์ได้ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนเลยค่ะพระอาจารย์คิดว่าจะไม่ได้เข้าค่ะอ า, าจารย์เราคือไม่ได้เข้าเหมือนกันใช่ค่ะพอ ด, ดีคุณละคุณหลาแจ้งมาว่าอา่าวไฟฟ้าขัดข้องก็เลยลงก็เลยคิดเออไม่เป็นไรก็นั่งสมาธิต่อค่ะพระอาจารย์ แล้วนั่งไปสักประมาณนี้สิบนาทีช่วงนี้มันฟูงด้วยค่ะอาจ๊ะก็เลยก็เลยเอ๊งั้นก็เอาฟังพระอาจารย์ฟังเทศพระอาจารย์ปรากฏว่าเปิดไปเอ้าวทาไมมีไลายด้วยอ่ะก็เลยเข้ามาค่ะค่ะไม่งั้นไม่งั้นก็ไม่ได้เข้าแล้วก็นั่งถ้าเกิดมีสติก็เลยได้นั่งต่อแล้วดีวันนี้มีไม่มีสติฟุ้งค่ะพะอาจารย์ช่วงจะว่าดีหรือไม่ดีเนี่ย เหมือนจะไม่ดีได้ได้มาฟังธรรมแล้วกันค่ะพระอาจารย์มันฟุ้งเพราะว่าใจมันเหมือนแบบคือมันเหมือนแบบว่าเราตั้งใจจะเข้าห้องสูมแล้วมันไม่ได้เข้าก็เลยแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะนั่งสมาธิถึงไฟมันจะเป็นอย่างเนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยมันควางไว้มันแข้งควางไว้มันดูแขงวางจริงๆค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบตอนนั่งก็คิดเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะไฟดับเอ๊ะพระอาจารย์จะร้อนไหมนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแล้วก็เลยคิด เราไม่มีสติเลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเอ๊ะงั้นเอาเอาเทพระอาจารย์มาที่พระอาจารย์เทพมาฟังดีกว่าจะได้แบบมีสติอะไร Då เงี้ยอ้าวเปิดไปพอดีสงสัยแบบสงสัยแบบจะได้เข้าสู่มหาค่ะราจาันใช <pp> <museums> <IS mus i dialog 1981> ่ช่วงช่วงค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้เข้ามาเพราะว่ามันไม่มีไฟเองแล้วพอดีมีคนต่อไฟมาให้ใช้ชั่วคราวกันใช่แต่เป็น ปกติเดี๋ยวถ้าดับนี่จะลูกคิดว่าจะดับนานมากหรืองแปลกใจเลเอ๊ได้ด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันเป็นยังไงมันข้าคืนมันมันมันดับตั้งแต่เกือบห้าโมงเย็นโอ้งมันช่างไฟเข้ามาดูแล้วก็ก็กลับไปแสดงว่าเขาทาอะไรไม่ได้ต้องกลับป้าพวกนี้มามาทำอะไรค่ะอ๋อค่ะพระอาจารย์ก็มืดทั้งวันเลยไม่เป็นไร เราก็อยู่กับมันไปไม่มีไฟลแล้วก็ต้องอยู่ได้เน่ยไหมมันมันจะร้อนไหมคะอาจารย์ร้นก็ตงร้อนทำไงเลยกลับสู่ธรรมชาติค่ะคิดอะไรคิดว่าไม่ตายก็ดีแล้วอย่างนี้เราก็าาาโอเคค่ะสมัยก่อนเขาก็อยู่กันได้นะคะะอาจารย์ ไ, ไม่มีอะไรเลยแล้วก็อยู่บนเขาก็ไม่มีไฟฟ้าตอกมือกับผ้าอนาแล้วก็นอนนะค่ะค่ะอาจารย์ก็ตอนนี้รู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาที่ที่ผ่านมารู้สึกว่าค่อนข้างแบบ เหมือนกับไม่ค่อยมีสติอะคะ่ะฟุ้งนิดหน่อยฟุ้งเหมือนกันนะคะพระอาจารย์อืก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าคือตอนเนี้ยคือลูกภาวนาแบบไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปฟังแบบไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะไม่ได้คือตั้งใจจะภาวนาเหมือนมีเวลาว่างก็แบบภาวนาแล้วมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันฟุง้งเลยต้องกลับมากลับมาหาฟังหาฟังเอ ห, หาเทศของพระอาจารย์ฟังบ้างอะไรอย่าเงี้ย หรือว่าปัญญามันจะน้อยลงค่ะพระอาจารย์สติเป็นตัวสําคัญกับปัญญาตอนนี้ทําอะไรไม่ค่อยได้นะตัวนี้สําคัญก็คือสติตัวนี้ก็บคุมใจให้สงบให้ฟูมค่ะบางครั้งเนี่ยรู้รสึกว่าพยายามจะริยสติให้มากอั้งแต่ต้องลืมตาให้มาเลยค่ะคือตอนเนี้ยลูกแบบตารางที่ลูกต้องนั่งสมาธิมันเหมือนมันถูกรบกวนเอ่อบางอย่างค่ะพระอาจารย์ก็เลย เอากาําลังพี่ต้องเจริญสติก่อนดีป่ะถ้าไม่มีสติตตนั่งสมาธิไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งแล้วก็ฟุง้งแล้วบางครั้งคือตอนที่นั่งสมาธิเรารู้ว่าเราฟุง้งเราก็พยายามคิดว่าเหมือนกับพยายามจะคิดว่าเอ๊ะวันนี้ทําไมเราถึงเราฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยพยายามหาเหตุต่างต่า <P> ง <'t S 1> อ๋อยิงย่งหาเหตุยิ่งฟุ้งไปใหญ่เลยค่ะอพราะว่าจต้องหยุดต้องห <า S 1> ยุดชิดลูกก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะ ไม่ก้าวหน้าเลยแบบเหมือนกับถอยกลับมางทานก็เลยต้องตอนนี้หลงทางไม่รสติต้องกลับมาต้องกลับมาเทิจุูนแล้วต้องเกสติต้องปล่อยค ว, า, ความคิดอย่างคิดค่ะคือคือเหมือนกับระยะเวลาในการนั่งสมาธิอะค่ะ ม, มันถูกรบกวนควือปกติลูกจะแบบมีไปดูไปมีเวลาที่อ่านหนังสือทำมะนั่งฟังเทศฟังธรรมอะไรเงี้ยมันโดนตัดจากแบบ ต้องไปช่วย <c oughs> คือตอนนี้แฟนเขาก็แบบกลับมาอยู่ที่บ้านเขาเป็นหุ้นอะไรเงี้ยคือแบบซึ่งลูกเคยแบบว่าเคย take c l a อะไร <c oughs> พวกนี้เขาก็เลยแบบเขาบอกขอเข้ามาช่วยเขาดูนิดนึงสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยลูกก็ <c oughs> เออก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันทําให้อาจจะเป็นจุดนี้หรือไม่ทําให้เราแบบมีความฟุ้งเหมือนกับเข้าไปอยู่ในในโลกกระทำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปอยู่แล้วไม่มีเวลาที่จะเจริญสติ มันมันสับสนอาจจะแบบมันมีความแบบสับสนนิดนึงอะค่ะพรอาจารย์มีเรื่องมันก็ต้องคิดค่ะค่ะอ่จมันคิดก็มันก็ค่ะก็เดี๋ยวจะจะแก้ปรับปรุงค่ะรอาจารย์จะจะรู้ว่าลูกต้องกลับไปฟังเทศฟังธรรมนั่งเหมือนถึงเข้าไปดูหนังหาหนังสืออ่านแล้วก็ เข้าไปฟังเทพพระอาจารย์มากขึ้นนะคะแล้วก็เดินจงกรมบ้างมีความรู้สึกว่าถ้าแบบตั้งใจที่จะนังน่งนังน่งนัง่งนั่งมันเหมือนมันเครียดเกินไปอะค่ะเพราะสติไม่พอเราเราฝึกสติทุกทุกเช้าเลยเลยตอนช่วงที่ตื่ไม่มาแล้วเตรียมตัวทําอะไรตอะไรนี้ช่วงนั้นเวลาได้ฝึกสติได้นีไ ม, ไ, ไม่ต้องคุยกับใครม่ตองคิดเรื่องอะไรอ่าอาจารย์อ่าโดยเฉพาะทําได้ช่วงนั้นช่วงที่ตื่นขึ้นมารเอ า, าไว้ครับ ล้างหน้าลางตาทอะไรต่างๆเนี้ยน้องดูเกสติช่วงนั้ค่ะอาจารย์ช่วงช่วงที่ตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําอาบน้ําอะไรเงี้อันนี้คือจับจิตดีมากค่ะแต่พอคางที่ออกไปแล้วก็จะหลหลุดบ้างค่ะค่ะอาจารย์เออเรื่องต้นดีมันก็จะมันก็จะดีไปเรี่ค่ะพระอาจารย์น้อมน้อมปฏิบัติค่ะพ่ะอาจารย์วันนี้ดีใจมากๆเรื่องปัญญงบัญญาเนมันได้มาเยอะแล้วแต่มันลืมหมดอะ เอาสตินิดบ่ตัวเดียวเพราะว่าใบฟังเรื่องทางปัญญามันก็เนีย่ยก็มันก็ต้องกลับมาที่สติอยู่นี้เนี่ยอเวลาปฏิบัติมันก็กลับมาแล้วที่สติอยู่นี้มันไปที่ไหนไม่ได้สติหมนะืนกะุญแจรถนะแล้วตอนที่เราจะขับรถไปไหนได้นะเราก็ต้องเจอห า, ากุญแจให้เจอก่ออ่าพระอาจารนะย์อ่าอย่าลืมสติสตินีดสําคัญมากสติจําเป็นในทุกกรณี ค่ะพระอาจารย์พยายามค่ะพระอาจารย์คือบางทีมันมันกว่าจะรู้มันก็หลุดไปปักพักแล้วค่ะพระอาจารย์กลับมาเอ้าเราไม่มีสติแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะน้อมนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะกลับอะไรงานอาทิตย์หน้าค่ะพระอาจารย์เอาสติอย่างเดียวนี้ไม่ต้องเอาบัญญาไม่ต้องอะไรอาให้มีสติอย่างต่อเนื่องค่ะพระอาจารย์ค่ะ โอเคใคร่อคุณแบมคุณคุณแบมเอ๋ ม, มชาลิใัยบาทหนึ่ง น, น้อมกล่าวและมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่มีอะไรไหมวันอ่าอาทิตย์นี้ลูกรายงานผล น, นิดนึงค่ะอาทิตย์นี้ลูกสอบตกค่ะเจ้ามาแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันสงการลูกได้ปฏิบัติธรรม ถือสินแปดได้สามวันแต่อธิษณ์นี้สอบตกค่ะไม่มีแต่คนสอบตกเท่านั้นวันนี้มีแต่รายการแต่คนสอบตกไม่มีใครสอบได้เลยเจอโจทย์ยากเจ้จขขาค่ะก็เลยคิดคิดคิดคิดจะแก้ปัญหายัางไงก็เลยสอบตกไปเจ้าค่ะอาทิตย์นี้วันนี้เริ่มใหม่เจ้ขขาค่ะวันนี้ถือสินแปดเจ้ขขขาค่ะวันนี้เริ่มใหม่เจ้าค่ะไม่เป็นไรล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นะ ลองรู้คลานไปก่อนตัวค่ะามพยายามอยู่ีไหนครับสาเร็จอย่อยอยี่นั่นอย่าท้ออย่าท้ออย่าถอยอ ย, ยอมแพ้พยายามทาไปเรื่อยๆวากยก็ทาไปโ okay. อเคนะอันนี้ป็นแนนต่อคุณแนหา น, นมาสักการค่ะครอาจารย์นี้มีคาถามค่ะ อุดอนนอนไหมชวงนี้นอนนานไหมนะร้อนมากเลยค่ะถึงส <c oughs> ี่สิบไหมสี่สิบเอ็ดเลนะคะอ๋อสี่สเอ็ดเลยใช่ร้อนค่ะจาได้ตอนที่ไปอยู่ว่านตาบ่านใหม่แล้วก็ไปเดินเมษาเนี่ยไปต้ตอนต้นเดื้อโอ้ยร้อนแต่เตรียม ต, ตัวเตรียมใจไว้แลามันต้องรอ้อนก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ก็อยู่กับมันได้แต่สมัยนั้นเลยหรอคะ่ะอ๋อ นานนานมากๆเลยค่ะอาจารย์าปีสองเ็ใช่ไหมคะหนึ่งแ<ไ>ปดวันหนึ่งแปดมปวันตาหนึ่งแปดเมษายนนี้เดือนนี้ปีหนึ่งแปดอือสี่สิบเก้าปีมาแล้วนี่มันมนี่มันเทอาไรก เ, เกียรแล้วอตอนนี้ไม่มีต้นไม้เลยคะ่ะ มี่แต่มีแต่เจดีค่ะอ๋อนั่นน่นอยู่อันนั้นมันอยู่นอกว่านอกกำแพงในกําแพงของมันจะเหมือนเดิมเลยผมไม่เคยเข้าไปกันใช่ไหมต้องพ่อแม่พาไปแส่บาตตั้งแต่อยู่ในท้องเลยคะ่ะฉันใจในท้องตัวตัวว่าเทพาอยูังไงมันอยู่ข้างในกําแพงที่ไม่ได้อยู่ใช่ค่ะแต่ก็อืล ด, ดเยอะคะ่ดด ะ, ค, ะคนเยอะคะ่ะ ทานยมส่วนให ญ, ญ่ไปไปเข้าไปแค่ที่สาราท่านเข้าไปในวัดเข้าไปที่แค่าสาราไม่ไลยเข้าไปตามที่พระนำติเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นป่ามีต้นไม้เยอะเออใช่ลูกเคยได้เข้าไปกติเปรนยายจันดีอ่ะคะ่ะ ม, มันก็เป็นป่าโล่งเย็นมากเลยคะ่ะโอเค <c oughs> okay, ไม่มีอะไรนะไม่มีเจ้าคค่ะขอบคุณค่าคุณทีิจิตมา เรื่องทางไม่นอยู่แล้วค่ะรัศ ก, กากรับพระอาจากกรย์กำลังจับแปดค่ะับแปดเรื่องงานอะรแล้วใช่อ๋อไปไปไปยวราดมาขอพระอาจารย์ตอนแรกรอเข้าสู่พระอาจารย์เราเขาแจ้งว่าไม่ไ ม, ไม่มีก็เลยแบบไปทานข้าวมาค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรใช่มด้กินธรรมะอะไรกินข้าวแทนนะขพระอจารโอเคแต่ก็ ดีใจที่ได้เข้ามาสวันดี้อา <Okay. S 1> จารย์ให้แข็งแรงนะคนะสาธุบ๊ายบา้คุณดิศยากับคุณแม่พนุษานักพิารค่ะอาจารย์ยอมยมนั่งฟังแต่และคนอารมณ์วันเด็กนักเรียนมานั่งรออาจารย์ในห้องเรียนแล้วก็แจ้งบอกว่าวันนี้ไม่มีสอนแล้วทุกคนก็แตกออกมาจากห้องเลยค่ะ เอาอาจารย์มาก็จะรีบกลับเข้ามาใหม่ค่ะประมาณนั้นและอารมณ์นั้นหมดเลยค่ะอาจารย์อืม mm hmm. ค่ะสําหรับโยมก็ยังยังกินแปดยังไม่ยังไม่เปลี่ยนค่ะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ค่ะค่ะยังยังแปดอยู่แล้วก็โยมช่วงนั้นโยมเป๋ น, นะคะอาจารย์อารมณ์มันแบบมันพุ่งสั่นมากโกรธเครืองเคือ ง, องไม่ถึงกับโกรธเครืองแล้วก็ไปเดินในขณะที่เดินเนี่ยพยายามไม่คิดแต่ความคิดมันก็เข้ามา ก็ไล่มันไปเรื่อยๆจกนกระทงมีคนถามว่าตอนเดินน่ะคิดอะไรหรือเปล่าบอกพยายามจะไม่คิดเขาบอกแต่สีหน้าน่ะคิดนะเออจริงด้วยแสดงว่าสีหน้านเราคิดก็เดินกลับมาได้สติแล้วก็เดินกลับมารอบนึงก็ขับมาขอบคุณเขาแล้วก็บอกว่าต้องเดินแบบนี้เออแสดงว่าเราไม่มีสติแล้วพอตอนเย็นวันอาทิตย์โยมก็ฟังเทศของอาจารย์อาจารย์เทศเรื่องของบา ร, รมีสิกข์ใช่ไหมคะแล้วก็มา mm hmm. ถึงคําว่าเมตตาบา ร, รมีโยมก็บอก อ๋อโยมไม่โกรธเขาโยมไม่มีเมตตาบารมีแสดงว่าสติโยมไม่มีโยมก็เลยโอเคโยมจะไม่โกรธพอวันพระถัดมาโยมก็ไปฟังธรรมบนเขาที่วัดที่สุครินนะคะสุครินะที่ว่านะคะอยู่บนเขาอพระท่านเทศนเรื่องจอมโจรบรรลุธรรมโยมก็มาคิดว่าอ๋อถ้าคนนั้นเจอคนที่มีเมตตาเขาก็จะไม่เป็นโจรโยมก็เลยว่าสติโยมไม่ดี แสดงว่าเราเมตตาแต่เราไม่มีสติเราเผลอโกรธค่ะอาจารย์ก็เลยได้เอามาใช้คะนี่คือข้อที่ได้จากการฟังธรรมมาค่ะอาจารย์อรู้สึกว่าตัวเองเอ่อโดนโดนโจมตีด้วยกิเลส ข, ของตัวเรานี่เองค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะก็ ม, มีกิเลสทั้งหล้นที่เป็นตัวสร้างเรื่องราวต่างๆใช่ค่ะถ้าไม่มีกิเลสก็จะไม่มีเรื่องเวลาอะไทยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าทําไมเราแยกจังทําไมเราไม่มีสติต ทำไมเราไม่คิดก่อนว่าเพราะอะไรมันกับว่าน้องคนนี้เขาเขาป่วยแล้วโยมโทรไปหาเขาสี่สายเขาปิดสายทิ้งยมโทรไปอีกสายหนึ่งเป็นห้าสายเขาก็ปิดทิ้งยมก็เครองค่ะอาจารย์ว่าทําไมไม่รับสายไม่มีมารยาทแบบเนี้ค่ะโดยที่โยมไม่รู้ว่าเขาป่วยมากขนาดที่ไม่รับสายโยอมพอยมมารู้ทีหลังอ๋อเราเรารีบตัดสินใจโดยที่เราไม่รู้ความจริงอย่างนี้ค่ะนนี้มันเป็นได้เป็นบทเรียนค่ะอาจารย์ ความจริงเขาจะเป็นยังไงก็ไม่ไม่เคยเป็นเหตุที่จะเราจะต้องไปโกรธเขาอยู่ดีเขาจะรับสายไม่รับสายก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้อะค่ะที่พลาดอะค่ะอาจารย์เราพลาดเพราะเราไปเอามาใส่อารมณ์เราทําให้เราคิดไปเองนะคะก็ได้ได้เป็นข้อคิดค่ะเลยปฏิทานว่าต่อไปถ้าไม่เข้าไม่รับสายก็อย่าไปโกรธเขาต้องมีเหตุละอะไรที่ทําให้เป็นแบบนั้นนะคะอาจจะไม่มีเหตุก็ได้อาจจะก็หูหนวกไปไม่ได้ยินก็ได มีคือเราอย่าไปสนใจเหตุของเขาสนใจที่เราดีกว่าแล้วทาไมต้องไปทำไมต้องไปโกรธเขาด้วยทำไมต้องให้เขารับสายอื่แค่นั้นแหละตัวเราเองเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยพอมาเดินพอเดินก็ถ้าน้องคนนั้นไม่ทักก็ยังยังเดินแบบคิดพอตอนนี้คือหลังจากที่เขาทักมาสองสับวันนี้คือไม่เป็นแล้วค่ะ พยายามเดินแบบเดินสบายขึ้นค่ะอาจารย์เดี๋ยววันที่ 30, สามสิบเมษายนยมไปชนบุรีค่ะขึ้นเขา ว, วันที่หนึ่งค่ะโอเคชาที่น้าุค่เดี๋ยวค่อยอ ม, มีอะไรค่อยไปกลับเรียนถามอาจารย์นะคะค่ะคุณดิษยา ม, มีอะไรไหนะ้นำมัส ก, การค่ะพระอาจารย์ที่ที่พระที่หนูลองไปนั่งสมาธิหกชั่วโมงอะค่ะไม่ไม่ลุก ไ, ไปไหนเลยะคะ่ะ ทำไปสองสองวันผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์คือว่าถ้าจะนั่งนั่งแบบจะนั่งอยากนั่งพักผ่อนแล้วนั่งไปเรื่อยๆหกชั่วโมงเราก็จะรู้สึกสบายคะ่ะแต่ครานี้มาแบบตั้งไว้ว่าจะต้องสู้กับความอยากออกไปไหนมาไหนมันเริ่มต่อต้านนะคะเลยแล้วก็กลัวกลัวว่าจะแพ้ะค่ะพระอาจารย์พอทุกๆ2สองชั่วโมงเวลามันมันจะเครียดอะคะ่ะอยากรู้สึก อยากจะออกไปไหนม้าไหนหรือเครียดว่าเราจะทำได้ไหมค่ะพระอาจารย์กังวลพอกับวลปุ๊บแล้วมันความรู้สึกที่เจ็บที่เคยสู้ได้มันก็จะยิ่งบีบเข้ามาทุกๆสองชั่วโมงชั่วโมงท้ายๆก็ถ้าเวลาบีบมากๆหนูใช้วิธีแก้คือบางทีหนูลืมตาไปเลยค่ะรู้สึกว่ามันก็จะผ่อนคลายขึ้นเออได้มองอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์หรือไม่ก็วันสุดท้ายที่ลองทำก็คือฟังธรรมค่ะฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้า ฟังแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วก็พอก่อนเอก็สามารถนั่งดูกับความเจ็บได้ปกติค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าไปนั่งคิดว่าแบบเราจะแพ้หรือเปล่าจะทําได้ไหมจะอยากลืมตาอยากจะออกไปไหนมันมันเครียดมันบีบปัวใจค่ะพระอาจารย์อืค่ะคือที่ให้นั่งนี่แบบไม่ต้องให้ไม่ให้ฟังทำแม่อะไรอะไรต้องให้ใช้ใช้ธรรมะของเราแทนใช่ใช่ ศีลปัญญาของเราสู้กับมันไปแตไม่ต้องทรมาราาาร่างกายทั้งร่างกายเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนได้ไม่ต้องการที่จะต้องทรมาร์ไม่ต้องการให้ไปสู้กับทุกไวทนาให้เป็นแต่สู้กับความอยากที่อยากจะลุกจากที่นั่นงไปเป็นอันนี้ตัวความอยากทีไออก่ไม่ยอมอยู่กับที่ ชอไปนู่นชอบมาที่ทั้งนั้งที่ไม่มีเหตุใดต้องไปก็อยากจะไปค่ะแล้วลืมตาอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะได้ลืมตาได้อะไรได้หมดยืนได้ดื่มน้ําได้ถ้าเห็นน้ําต่เดีแต่ว่าไม่ไม่เห็นไป <c oughs> ออกไปจากจุดที่เรานั่งลุกขึ้นมายืนได้ถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนได้ยืนแล้วเมื่อกลับไปนั่งใหม่ได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นน่าจะสบายใจขึ้นคะ่ะค่ะ แ, <laughs> แล้วก็ไม่ให้ไม่ให้อ่านหนังสือไม่ให้ทำไม่ให้อาศัยอะไรภายนอกมากอ่านหนังสือธรรมก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ท <ừ> ั้งทั้งอย่างอาศัยใจเราอย่างเดียวให้ใจเรามาสู้สู้กิเลนเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในใจเรามาสู้อันติบาลมีอะไรอุเบกขาบาลมีอะพวกนี้อมาสู้กับมันปัญญาบารามี คือหนูกลัวแพ้มากมค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเคย เ, เคยลองออกจากงานแล้วมานั่งสมาธิดูแล้วมั่นใจมากแล้วเราก็ลองไปที่วัดป่าปรากฏว่าตู้ไม่ไหวค่ะอยากอยากจะออกไปข้างนอกค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นความรู้สึกเซลล์ฝังใจค่ะพระอาจารย<ม>์ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่น่าตู้ไหวเลยแน่ๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็รวบรวมกําลังใจปมาทำใหม่นะคะพระอาจารย์ เวลาพอนึกถึงก็เหนื่อออกมือเท้าคือกลัวค่ะพระอาจารย์ไม่อยากแพ้ก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเชื่อเราก็ทําไปฝนจะเกิดยังไงก็แล้วค่อยรู้กันไปอย่าไปตีฝนก่อนไข้ค่ะได้ค่ะแล้วก็เวลาที่รู้เวลาที่มันกําลังฟุ้งซ่านอยากจะอยากจะลืมตาขึ้นมามองหรืออยากจะอ่านหนังสือ ธรรมะคืออย่างจะหาเศษจากข้างนอกค่ะพระอาจารย์หนูลองสังเกตว่าหนูใช้เมื่อก่อนเคยคิดว่าใช้บริการพุโทโธแล้วมันจะได้แต่คราวนี้ยหนูเริ่มมาดูว่าบางครั้งหนูต้องเพ่งไปที่ความรู้สึกที่จะหมดคือต้องใช้อานาปามันมันไม่มันไม่แน่นอนแต่คือตอนแรกหนูคิดว่าใช้พุโทโธจะต้องเวิร์กกับทุกๆสถานการณ์นะคะแต่คราวนี้ก็คือได้อีกพราหนึงว่าลองไอ้กรรมฐานสี่สิบลองไปให้หมดก่อน ถ้าอันไหนมันได้ก็เอาอันนั้นไปค่ะพระอาจารย์ตอนหลังๆรู้สึกว่าใช้ อ, อํานาปาร้หนูสงบ ก, กว่าในบางครั้งค่ะพระอาจารย์ก็ได้ทั้งนั้นแ่ะมันก็เป็นสติเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะลองใหม่ค่ะพระอาจารย์อยากจะสู้ต่อไหม ก, กันค่ ะ, ะไมอยากแพ้เลยอนีใ ห, <laughs> ให้ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาสู้กับกิเลส ใช้ขันติความอดทนใช้ความเพีย่ยนพปายามแต่ไม่ไม่ให้ทรมานร่างกายคือถ้าร่างกายเจ็บนั่งเจ็บก็ ล, ลุกขึ้นมายืนได้ยืนแล้วเมื่อยก็กลับไปนั่งใหม่ได้อยู่น้ำก็เอาน้ำมาดื่มได้ปัสสาวะถ้าปวดปัสสาวะก็เอากระดูกมาตั้งไว้ก็ได้จะแรงก็ลุกจากที่ไป แต่แค่อย่าอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ต้องอ่า น, นไม่ต้องอ่านหนังสือธรรมะไม่ต้องฟังธรรมคือแค่อยู่ไม่เอาไม่เอาของภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราเรากับตัวเราคนเดียวเนี่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มลองทําใหม่ค่ะพระอาจารย์อันนี้เป็นการต้องการจะหยุดความอยากที่ที่ยากที่ไม่ยามอยู่กับที่เราให้มันอยู่กับที่แล้วหชั่วโมงดู แค่นี้ใช่ค่ะพระอาจารย์เวลามันยอมเวลามันหยุดแล้วโอ้โหนะสบายไม่มีอะไรมาคอยกวนใจแต่ถ้ามันไม่หยุดเนี่ยโอหนันรู้สึกเครียดรู้สึกทรมานใช่ค่ะเรวตอนเอาใหมันยอมให้ได้ถ้ามันยอมแล้วต่อไปเราก็จะสบายไม่ต้องมีใครเลยมาคอยรบกวนคอยหนึ่งมาโน่นหนึ่งมานี่ มัน <Okay. S 2> จะทำให้เรามีกําลังสติมากขึ้นต่อไปแล้วก็มานั่งสมาธิแบบไม่ขยับตัวได้ถ้ากายเจ็บก็สู้กับเวทนาต่อไปได้อันนี้เป็นเพียขั้นต้นก่อนขั้นสติที่ยังไม่ไม่มากพอยังสู้กับทุกขเวทนาไม่ได้ก็ตอนนี้ผ่อนไปก่อนไม่สู้ทุกขเวทนาสู้กับความอยากที่จะ ย, ย้ายจากจุดนี้ไปอันหนึ่ง อาจาย์ไหมะ อ, อืมลองทํำดู น, นะะอันนีไ้ได้มีข้อสอบอันนี้ได้รู้ว่าข้อสอบลองทําข้อสอบนี้ได้ไหมได้ค่ะพระอาจารย์หนูจะลองทําใหม่ค่ะอืน่าจะช่วงต้ น, ต, นต้นเดือนค่ะน่าจะมีวันว่างอยู่อืมก็แล้วแต่สนวกเมื่อไหร่ก็โอเคนะคชาค่ะก็คุณก็คุณพระอาจารย์ค่ะนะกจาก ขอบคุณดีสวัาดีอาจารย์กราบวัสการพอาจารย์เจ้าค่ะอืมโยมก็ตอนนี้ก็ลองหมดทุกอย่างที่พระอาจารย์สอนค่ะทำทำก็ยังได้ได้ไม่มากเจ้าค่ะอาจารย์ก็ก็พอทำได้มากกว่ากว่าเดิมที่เคยเคยทำมาอย่างนั่งมสมาธิ S <S ชั่วโมงหนึ่งนี่อาจจะมันมันเงียบไปแต่มันไม่ได้หลับอันนี้เป็นไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์คือไม่หลับก็ไม่หลับก็ไม่หลับก็ไม่หลับก็หลับแต่มันไม่ได้ยินเสียงข้างนอกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์กเงียบไปมัเงียบเลยเสียงมันย้อ น, นกลับมาจริงได้อยู่ไหมคะ ก็แล้วแต่คุณคุณปฏิบัติไปก็ดูไปเลยมันเป็นยังไงคนหลับก็หลับไม่หลับก็ไม่หลับบานก็ก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละสงบมนะั้ยไม่สงบมันต้องเว้งสันดิทิโกตอนนี้ก็ดูเรีย น, นกับพระอาจารย์แล้วก็มาพิจารณาที่ตัวเองทาว่าเป็นยังไงบ้างก็ค่ะอาจารย์อืมันก็ทํามากขึ้นตอนนี้มีเวลาก็พยายามเพียนเพียนให้มากขึ้น วันนี้ก็ไม่มีคําถามเจ้าค่ะอาจารย์อ่าดีเข้ามาไปทำไปเราต้องเป็นคนทำข้อสอบตัวเราเองตัวตาดูผนที่เกิดจากการกระทําองเราว่ามันเป็นยังไงอ่าเจาค่ะอาจารย์ไม่มีการคุณไม่มีใครมาตรวจข้อสอบให้กับเราทำข้อสอบเราเป็นคนทําข้อสอบตรวจข้อสอบเองอ่นมันผ่านมันก็รู้ว่ามันสงบแล้วไม่สงบมัน มันทุกข์แลไม่ทุกข์มันก็อยู่งนั้นนะเราค่ะอืมค่ะพอมารายเราฟังมันก็ไม่รู้ว่คุณมันเป็นยังไงความเป็นจริงคําพูดกับความเป็นจริงมันตรงกันหรือเปล่ามาเลยเนาอะไรต้องเราแล้วะเป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้ที่จะตรวจตาดูผลทั้งงานปฏิบททัติของเราค่ะอืม โอเคนะคุอาจารย์คงว่าอะไรกลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนแรกคิดเหมือนกับเพื่อนๆ เ, เลยนะคะเ พ, พราะเขาทราบว่าเรื่องระบบขัดข้อนะคะหนูก็ดีเลยพระอาจารย์วันนี้ได้ได้พักผ่อนแล้วหนูก็แล้วหนูก็คิดว่าเดี๋ยวหนูจะชดเชยด้วยการ น, นั่งสมาธิแต่เพิเงิน กช็กบเหมือนเล็โรศัพท์อะเฮ้ยใทีนึ่งก็เลยเจอก็เลยเข้ามาเลยค่ะก็ไม่ไม่เดไม่ไม่รู้สึกเดือดรด้อนอะไรเลยนะคะก็คิดว่าเอออะไรมันจะเกิดก็คือต้องเกิ ด, ดกค่ะแล้วก็ศัสท์แต่ว่ารู้ เ, ลลเหมือนเหมือนมันเริ่มเริ่มจะทํางานเข้าที่บ้างแล้วอะค่ะแล้วก็อืมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าค่ะไม่ไม่ได้ไปวัดหรือทำอากิจในเรื่องของ การนั่งสมาธิมากแต่ว่าก็หนูใช้เจริญปัญญาเอาแล้วก็เจริญสติค่ะพาลูกสาวไปแข่งเพาะกลายเจ้าค่ะที่เจ้าตัวเล็กก็ค่ะแล้วทีเนี้ยหนูก็พยายามเตือนน้องเขาตอดเวลาว่าเราไปแข่งเนี่ยเราต้องเตรียมใจว่าเราจะต้องแ พ, เพ้เพื่อให้เพื่อให้เตือนสติให้เขาว่าไม่ให้ให้เขาเสียใจอะค่ะพอขึ้นเวทีก็ ก็ตามนั้นนะคะไปเจอทีมชาติสามสี่คนแต่ว่าก็ดีที่เขาได้เลี่ยนเุมนเรียกไปเปรียบเทียบร่างกายอ่ะในระหว่างที่ดูเขาแข่งอ่ะค่ะสามีก็ตามแม่อะไรเงี้ยคะคนทั้งบ้านที่ไปเชียร์เขาเชียร์กันแบบเสียงดังมากแต่ว่าหนูก็นั่งเฉยๆหนูหนูก็รู้สึกว่าไอ้การที่ทําทั้งหมดมาเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผ่านไปแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะคะก็ก็ใช้แบบเนี่ยในการคิดตลอดเวลาอืม ได้ถึงแต่อย่างเดียวเพราะว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราได้อยู่วัดเราจะได้นั่งสมาธิเราจะได้ฟังธรรมนะแต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะทาหน้าที่แม่ในการให้กําลังใจลูกค่ะแล้วก็ตื่นสติเขาก็ไม่เดือดร้อนเลยค่ะกลับเข้ามาปุ๊บวันเนี้ยค่ะก็วันนี้ไปไปใส่บาตรไม่ทันจ้าค่ะเห็นพระอาจารย์ยืนถ่ายรูปหนูก็เลยขับรถตรงไปที่วัดนาจอมเทียนแล้วก็ไปนั่งสมาธิต่อจ้ะค่ะก mm ็หนูคิดว่าอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่หนูได้ประโยชน์สุดๆไปเลยค่ะ mm hmm. คำตอบเลยนะคะอีกใจปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับอะไรต่อค่ะอีกตัวหนึ่งที่หนูอาจจะขอถามพระอาจารย์นี่มันอาจจะไม่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่ามันเป็นคําถามที่มันเกิดขึ้นในสังคมะค่ะอจากที่ที่ที่มีเด็กที่มีเด็กเขาบอกว่าเขาเชื่อมจิตที่นี้หนูเอาไปนั่งพิจารณาว่าอย่างเช่ น, ชนที่พระอาจารย์เคยเทศสอนว่าจะมีช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านท่านเหมือนอขึ้นไปบนดาวดึง ที่ไปสอนทำของของของแม่ของพระพุทธเจ้าอะค่ะอันนี้คล้ายๆกับการกับการเชื่อมจิตในการสอนทำนี้ไหมคะอย่าไปคิดให้ปวดหัวเลยมันไม่ไไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะไม่น่าไปสนใจนะคำพูดของคนฟังหูไวหูแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปถ้าเราไม่ไม่ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่ต้องไปสนใจมันจิดไปจนวันตายมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่รู้จริงก็ไม่จริงอยู่ในค่ะแต่ได้ เรียนรู้ว่าเขาว่าว่าเขาลาะไปก็ท่า น, นั้นก็แล้วค่ะยิ่งเท่านี้เราฟัง ใ, ใครจะมาโมมาคุยมาพูดอะไรไม่ก็หวานพูดไปนะไม่เกี่ยวอะไรเราหรอกนะเราสุขเราทุกขอยู่ที่เรารู้อริยาศาสต ร, ร์สิหรือเปล่ารู้ใจรักรหรือเปล่านีน้พอนะอค่ะหอ๋น้องนำได้ไปดีแล้วค่ะอะก็ไม่ปฏิเสธใครอยากจะพูดอะไรก็พูดไป เอจะฟังไม่ฟังก็ได้เพราะมันไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญเนระื่องของคนอื่นประเด็นสำคัญอยู่ที่เราว่าเราเร า, เราเห็นตายรังหรือเปล่าไราเห็นอายะสัตติหรือเปล่ า, า, ล า, อ, ลาอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้คนจะเห็น อ, ข อ, อขอบคุณนะจ๊ะค่ะคุณมาลีเชิญต่ออุทาการตามหลวงพ่อค่ะ ดีใจใก็จยังปฏิบัติดีใจเสียใจเสียใจแล้วก็ดีใจดีใ จ, <c oughs> ใจตรงที่ว่าเกือบจะไปนั่งแล้วเห็นที่บอกว่าไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายพอไม่ได้เข้าสูงแล้วก็กะจะไปนั่งแต่ก็เลยรูดมารูดไปแล้วก็กระเด้งขึ้นมาก็เลยรีบกดเข้ามาค่ะหลวงพอ่อ <c oughs> ถ้าถ้าไปนั่งก็คงไม่ได้เข้ามาค่ะก็ยังปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่อไม่ได้ขาดแล้วก็ น, น, นั่งก็ดีนั่งก็ดีนั่งก็ได้ได้สมาธิได้ความสงบบางทีมา<ช>ฟังก็ไม่ได้อะไรฟังเรื่องเก่าที่ไม่ทาก็มาฟังเสียงหลวงพ่อเป็นให้เป็นเสือนสติอยู่บ่อยๆนะคะอย่านี้เขาจะติดยาเสพติดเนี่ยเป็นพวกยาเสพติดอาทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งให้มาเห็นหลวงพ่อค่ะ <laughs> ให้เป็นกําลังใจก็ เลือนปฏิบัติหนูเพิ่งจะเสร็จเมื่อวานเนี้ยค่ะหลวงพ่ออื ม, มีมีคนขอจะมา น, นั่งจะมาใช้ด้วยค่ะหลวงพ่อไม่ได้หรอกเราทำต้องอยู่คนเดียวเราปฏิบัติหลายคนไม่ได้ห น, นไูไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรหนูหนูไม่ได้ก็คือเขาเขาเขาก็คงชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกเขาไปทำของเขาเองเล เขานี่มันทำเฉพาะตัวของคนคนที่คนอื่นเขาทามันจะไปขอว่าใชามันยังไงน่าเกลียดเลยไม่ไม่คิดอะไรเลยหนูถ้าเราช่วยเขาเขาว่าถ้าเราช่วยเ้าก่อนเนี่ยมันไปอยัดใช่าหมนี่อยู่นี่ไม่ชวนนี่ความโลภมันพอแผงมาเลยเนี่ยแผงความโลภมาเลยไม่คิดไม่ดูตามเขาแต่เลยว่าเขาทาให้เพื่อปฏิบัติคนเดียวหรือเปล่าค่ะหนูไม่ได้ชวนนะคะหลวงพ่อเหมือน บรรยากาศเหมือนอยู่วัดป่าเลยค่ะหลวงพอ่อใช่ไหมเวลาบางทีก็เห็นอะไรพอชอบก็อดไม่ได้อยากได้ขึ้นมาต้องพูดออกมาจริงก็หนูจะพยายามตั้งใจค่ะแต่ก็ยังนึกถึงที่เขาชีโอนอยู่นะคะหลวงพอ่อก็กไหวได้เปลี่ยนบรรยากาศบางทีเย ทีนอากาอาจจะอาจจะเคยชินนอาจจะไม่ค่อยมีความดุนดึงว่าเป็นบรรยากาศมันให้มีที่ใหม่ให้มีอะไรมากระตุ้นเราอย่างนี้ได้อย่างอย่างที่วัดอาทิตย์นี้หนูไม่ได้เข้าไปที่วัดพอดีที่วัดท่านอากันขึ้นไปอีสานนะคะหลวงพ่ออืแต่ถ้าถ้ามีโอกาสหนูก็จะไปค่ะหลวงพ่อยังปฏิบัติอยู่หลวงพ่อครันแล้วศุข เรื่องการปฏิบัตินะคะหลวงพ่อพ อ, พอปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันมันจะเกิดเหมือนเหมือนสมาธิอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อมันทาให้เหมือนมันมีผูกสติอยู่กับตัวเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะพอแล้วแล้วทีเนี้ยมันมันจะกลายเป็นว่าเหมือนเราติดกับสมาธิไหมคะหลวงพ่อก็อยู่ที่ว่าเรา เราชำงานจากสมาธิด้อย่างท่านชำงานแล้วก็คนที่จะแบ่งเวลามาทำํทำทานปัญญาบ้างนังนั่งแลสู้กับทุกขเวทนาบ้างเวลานั่งให้มันเจ็บแล้วก็อยากขยับแล้วก็พิจารณาทุกเวทนาว่ามันเป็นไตรักปล่อยวางไห้ผ่านความเจ็บให้ได้คก็ก็คือเวลาเจ็บแบบหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ถอยออกมาค่ะหลวงพ่ อ, อนั่งจน เหมือนแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะค่ะน้อ ง, <ด>องน<ก>้บบนั่งแบบสมาธิและนั่งแบบปัญญามันไม่เหมือนกัน<ด>นั่งแบบสมาธิก็ใช้พุทธโธพุทธโธใช้สติให้ทําใจให้เน้นแต่ถ้านั่งแบบปัญญาก็ต้องพิจารณาสอนใจให้ให้เข้าใจถึงธรรมชาติ<ด>ของทุกเวทนาว่ามันเป็นของไม่เที่ยมมันเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันหายมันก็จะทําให้เราทุกข ถ้าเราไม่อยากจะทุกขก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องหลงดีเข้าไปในสมาธิคือช่วงที่เกิดเวทนาเราใช้ปัญญาคิดตอนนั้นได้เลยใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ต้องใช้ปัญญาถ้าอยากจะเจริญปัญญาถ้าอยากจะเข้าใจว่าเราปล่อยวางความเจ็ดได้ด้วยปัญญาหรือเปล่าให้เข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิด เวลามันเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้ให้มันสัางให้มันหายไปมันก็ไม่หายถ้าอยากให้มันหายก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ทำใจเฉยๆไว้หนูเข้าใจว่าออกจากสมาธิแล้วค่อยมาดูอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าเกิดถ้ามันไม่มีตัวกาห้์นามันก็ดูไม่ได้นแถ้ามันมีข้อสอบมันก็ดูไม่ได้ค่ะ ถ้าออกมาพิจารณามันแบบนี้ไม่มีตัวเขมทนามันก็เป็นเป็นกาทําการบ้านนั่นเองยังไม่ได้ทําข้อสอบ<ะ>ทาแบบเตรียมตัวไว้ก่อนแนละ้วเขมทนามันเป็นตายรักนะแลเวลาเจอข้อสอบจริงๆเราจะเห็นว่าเป็นตายรักหรือเปล่าปล่อยวางมันได้หรือเปล่าไม่ถูกกำหนได้หรือเปล่าก็าคือให้ให้ใช้ปัญญาเฉพาะหน้าไปเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อเกิดอะไรก็พิจารณา อย่างนั้นไปเลยอย่างแล้วแต่กรณีงั้นที่เราพูดถึงกรณีเรื่องของทุกขเวทนาบางทีนทุกขเวทนามันไม่เกิดทำไมแล้วต้องเท้าให้มันเกิดขึ้นมานั่นให้มันเกิดไป่ยหรืออดข้าวอย่างเงี้ยทุกขเวทนาก็เกิดดูที่ว่าจะดับทุกขเวทดับความอยากความหิวได้หรือเปล่าโดยปัญญาว่าอมันก็เป็นทุกขเวทนาม ต้องก็อยู่กับมันไปบานมันหิวไปอยู่กับมันไปไม่ทุกขไม่เดือดร้อนกับมันค่ะก็คือพยายามสอนใช้ปัญญาสอนเวลามันเกิดอย่างอย่างเทศทุกขเวทนาอย่างนี้ค่ะคือพยายามเอาปัญญาสอนจิตเข้าไปสอนสอนจนเขายอมรับจนเขาเข้าใจจริงๆอย่างี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อก็มันอยู่ที่ว่ามัน แบบจริงหรือไม่แบบจริงถ้าไม่มีทุกขเวทานาะสอนไปมันก็เป็นการสอนเป็นแบบเป็นการทำงานบ้างไม่ใชเจอข้อสอบค่ะเจอข้อสอบก็คือปวดท้องขึ้นมาหปวดอะไรขึ้นมาทำงางมันก็ไม่ยอมหายปวดเนี่ยตอนนั้นจะทำยังไงใช้ปัญญาแล้วใช้สติถ้าใช้สติกับพุทโธบริกรรมไปทาใจให้นิ่งไปมันก็เป็นเรื่องของสติสมาธิ ให้บัญญัติก็ต้องมองมันเลยไม่ต้องหนีมันพิจารณาว่ามันเป็นอะไรค่ะมันน่ากลั่ขนาดไหนแล้วอยู่กับมันไม่ได้เนี่ยมันอยู่กับมันไปมันจะปวดก็ปล่อยมันปวดไปเมื่อเราทําให้มันหายไม่ได้นั่นก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปทุกข์ใจนะคะใช่หล้วก็แล้ว แล้วหลังจากสมมติว่าเราออกจากการปฏิบัติแล้วค่ะหลวงพ่อเรามาเจอเหตุการณ์ที่มันจะวิ่งมาสู่ใจเราเป็นทุกข์แต่ว่าสติอ่ะมันหรือว่าปัญญามันบอกว่าบังคับไม่ได้อยากให้เป็นอย่างที่หวังไม่ได้คือมันจะคิดแบบเนี้ค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวก็จะมีทางออกเองผ่านแล้วก็ผ่านไปแล้วมันก็ไม่ได้เก็บเอาสิ่งที่มีเรื่องมีทุกข์แบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อมาอยู่ในใจ ก็ถือว่าเป็นปัญญาใช่ไหมคะหลวงพอ่อทุกครั้งที่เกิดความที่ขึ้นมาแล้วเราเห็นพิจารณาว่ามันเป็นตายรักมันแล้วความทุกข์ขายไปก็เป็นปัญญาค่ะหลวงพ่อคือช่วงนี้หนูก็พยายามคิดแบบเหมือนเอาปัญญามาสอนมันอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็เลย อ, อยู่ดีดีค<บ>่ะจะบอกว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วพอเส้นเดือนไหมไ ม, ไม่ต้องกลับมาทํางานใะห้ อเราโดยเฉพาะเราจะทุกข์ไหมถ้าทุกแล้วเราใช้ปัญญาบาพิจารณเอามันไม่เทีย่ยงงานไม่เที่ยงถ้ามันไม่ได้เวลามันจะจบก็ต้องจบยอมรับได้ก็ไม่ทุกข์เหมันตกงานก็ตกางานอันนี้ต้องเจอข้อสอบต้องเจอความจริงต้องเจอของจริงที่ทําให้เราทุกข์แล้วเราสามารถดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ ด้วยปัญญาหรือเป่าด้วยไตยรักระหรือเปล่เห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรักรนะค่ะหลวงพ่ออันนั้นเทางปัญญาถ้ายังไม่เจอของจริงก็คิดไว้ล่วงหน้าก่อนนะบริษัทนี้<ม>เดี๋ยววันดีคืนดีอาจจะเป็นจิตใจกาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เขาเขาเริ่มเหมือนเริ่มบอกมาค่ะหลวงพ่อหนูก็เลย ม, มองว่าเหมือนไม่เป็นไรอะไรจะเกิดก็คือต้องเกิดมันก็ มีเกิดแล้วก็มีดับค่ะไมก็เป็นการทํางานบ้านไปก่อนยังไม่เจอของจริงแต่แต่เขาเขาแจ้งมาประมาณว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องพนักงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แต่ก็ยังไม่เป็นของจริงยังยังไม่ได้ก็ยังเป็นการบ้านอยู่ค่ะต้องมาเขาต้องมาบอกว่าส้นเดือนี้จบแล้วนะอันนั้นะถึงจะเจอของจริงใช่ไหมค่ะอนนั้นถึงจะรู้ว่าทำข้อสอบผ่านหรืไม่ผ่านถ้าไม่ถูกก็ผ่าน ถ้าทุกก็ไม่ผ่านเข้าใจแล้วค่ะหลวงค่รือปวดท้องไหมฮะหมอหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอย่างนี้ขณะเจอของจริงแล้วแต่ถ้าตอนนี้คุยกันยังไม่ปวดท้องมันก็ยังเป็นการทากันบ้านถ้าเกิดเราปวดท้องเไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกเป็นมะเรงเราจะคิดยังไงอันนี้ยังเป็นการทํากันบ้านแค่ฝึกแค่ฝึกซ้อมเฉยๆใช่ไหมค่ะหลวงค่ยังยังไม่ได้เจอของจริงค่ะ ไอ้เรื่ของจริงปวดท้องจนทนไม่ไหวต้องไปหาหมอหมอกว่าตรวจดูแล้วออกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะอะไรเงี้ยไอ้เรืนนะ่อที่เราจะทุกขอนหรือปลถ้าถ้าไม่ทุกข์ก็ถือว่าใช้ปัญญาก็ค่ะญญ า, ญญา ะ, ะถ้าไม่ทุกข์ถ้าเป็นถ้าเป็นปัญญาแล้วต้องเห็นว่ามันเป็นตายแล้วนะเห็นว่าร่างกายมันเป็นตายแล้วนะเป็นญ น, นิจจากไม่เทีย่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่หรอกค่ มันต้องออกทางปัญญาแต่ถ้าทำแต่สมาธิพุโทโธหรือสติอย่างเดียวมันก็ได้แค่สมาธิแล่ก็ต้องทำสมาธิก่อนให้มันชำนาญก่อนแล้วต้องมีสมาธิเป็นผู้ให้กำลังสู้กับความอยากด้วยถ้าถ้าไม่มีสมาธิถึงไม้จะรู้ว่าเป็นตายรักมันก็ทุกข์มันก็ยังหยุดความทุกข์ไม่ได้ยังห้ามยังยังเบกไม่ได้ อยางอยากให้มันไม่อยางอยากให้มันเป็นไม่ไม่ไม่เป็นตายรับอย่างอยากให้มันไม่ตายครับั้องรู้ต้องตายแต่มันก็ยังอยากให้มันไม่ตายมันก็ไปทุกข์ฉะนั้นการทำการบ้านกับการทําำภาสามเหมือนมันต่างกันแต่ก็ต้องทำการบ้านซ้ อ, ซอมไห้ก่อนไม่ซ่อมไม่เดี๋ยวเวลาขึ้นเวทีเจอของจริงไม่รูจะทํำยังไงก็คือต้อง ต้องมีเสบียงไว้ก่อนใช่ไหมคะหลวงพ่อเหมือนเหมือนจะทํางานบ้านไว้ก่อนเดี๋ยว่าต้องต้องทดลองว่าต้องต้องคิดว่าอาจจะเอาข้อนี้อาจจะเอาข้อนั้นเตรียมไว้ก่อนเอาไปข้อสอบแล้วก็ใช้ดูว่าข้อสอบข้อไหนเราเตรียมทําไว้ก่อนก็ทําได้เลยแล้วต้องเตรียมทํางานบ้านการเจ็บอย่างหนึ่งความตายอย่างหนึ่งการรับทราบจากสิ่งต่างๆอย่างอย่างเนี้ย เวลามันเกิดเราสอบนำเรสอบผ่านหรือไม่ไม่ทุกข์กับมันมหรือไม่อันนี้ทางปัญญาทางปัญญาถ้าไม่ต้องเห็นว่ามันเป็นตายร้างแล้วมันก็จะไม่ทุกข์อันนี้เรียกว่าปัญญาแต่ถ้าพี่ใช้ววลาเกิดความทุกข์ใจก็ทางใช้พุโทโธพุโทโธนั่งนั่งสมาธิให้จิตสงบอันนี้ก็ใช้สติยังไม่ใช่เป็นปัญญา ถามทุกก็ยังเวลาทุกขรังที่มาคิดถึงเรื่องนั้นก็จะมาเจอเรื่องนั้นนี่างก็จะทุกข์อีกถ้าเจอทุกมันมันต้องใช้ปัญญาถ้าอยากจะให้มันหายทุกอย่างถาวรอญแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็อย่างน้อยก็หลบไปก่อนเข้าสมาธิไปก่อนมาใจนั่นนะต่างกันนะสมาธิหรืปัญญามันต่างกันะ เข้าใจชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมค่ะหลวงพ่อแล้วปัญญามันก็มีสองขั้นขั้นทําการบ้านกับทําขั้นทำข้อสอบการบ้านกับข้อสอบของจริงค่ะอือันนี้ก็มีการบ้านทาแล้วก็งานอาจจะจบนะบริษัอาจจะปิดนะคนงานจะต้องถูกปลดออกนะ อันนี้ก็เป็นเป็นการทําการบ้านเราพร้อมไหมพร้อมที่จะเข้ปฎิบัติไหมพร้อมที่จะตกงานหรือเปล่าห้ามของเาลาหรือเปล่าถ้าเกิดถึงเวลาก็จะปดเราห้ามของไม่ได้อออืทําไม่ได้ค่ะงานนี้มันไม่ไม่เที่ยงใช่ไหมมันไม่แน่นอนใช่ไมืมคือ มันเหมือนเศรษฐกิจมันเป็นแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ของอ่ะค่ะเป็นขายพวกบ้านที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เยอะมันก็ไม่ใช่สินค้าที่จําเป็นต้องซื้อทุกวันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยจะพิจารณาว่ามันเที่ยงไม่เทียงก็พอมันแน่นอนไหมค่ะอเราจะไปให้มันเที่ยงได้ป่าวไม่ได้ก็ไม่แน่นอนค่ะท่านก็น้องยอมรับมัน เวลาความไม่แน่นองเกิดขึ้นและมันจนิจจ์แต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันถ้าเรายอมรับมันได้อันนี้เราใช้ใช้ปัญญาใจนะเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อกราบข อ, อขพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงค่ะอ่าไปที่กดปุ้ยลักเสมเอ กรรมนมัสการพระอาจารย์คุณ mm hmm. ปุ้ยสบายดีขึ้นค่ะ mm hmm. แต่ยังแค่เสียงหน่อยด้วยกันที่ว่าไม่สบายก็เลยเกิดการกระทบกระเทือนกับการปฏิบัตินิดนิดหน่อยน่อยแต่ก็ยังสวดมนต์ไหว้พระแต่เวลาการนั่งสมาธิก็ลดย่อนลงค่ะพระอาจารย mm ์ hmm. เพราะโยมเป็นคล้ายๆกับเป็นโควิดเลยค่ะ เพราะว่ามันเริ่มจัด ก, การที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บอกกับพระอาจารย์โยมเจ็บคอและโยมก็ไม่สบายมาเรื่อยเลยเหรือแบบมันแบบมันไอไอจนไอมันลงไปในกระเพาะลงไปในท้องเลยพระอาจารย์และหลังจากนั้นโยมก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันสวันแล้วโยมเริ่มกลับมาเหมือนเดิมนั่งสมาธิสวดมวนต์เหมือนเดิมอืมดูว่าใจเราทูกข์หรือเปล่ า, าถ้าทุกข์ก็ไสอบตรง ถ้าไม่ทุกข์กสอบผ่านไม่ไม่ทุกข์อ่ะเพราะว่าโยมคิดได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าป่วยก็ป่วยถ้าตายก็ตายโยมก็คิดแค่นั้น ม, มันก็แค่นั้น ม, มันเพราะว่าโยมก็คิดว่าเราก็อยู่คนเดียวไปก็ไปคนเดียวไม่เห็นเป็นไรลูกก็โตแล้วออื<ม>ืโยมก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าเออโยมจําได้พระอาจารย์สอนว่าเวลาที่โบเจ็บป่วยให้นอนนั่งสมาธิทีนี้โยมนั่งไม่ได้ พอโยมเริ่มสวดมนต์ตาหลับแล้วพอตัวเองตาหลับแล้วมันทําให้มันเหมือนมีอะไรกดไม่ให้โยมสวดมนต์โยมก็เลยทําไงดีโยมเปิดเปิดเทปสวดแล้วยอมก็นอนนอนแล้วนอนก็นอนสมาธิอะและ้วยอมกลัวบาปพระอาจารย์บอกว่าไม่ให้ฟังสวดโยมก็เลยไปพิมพ์ในยูทูบว่าอะไรที่พระองค์ไหนที่ว่าฟังทำทนสวดมนต์โยมก็ได้แบบเอเอหลวงพ่อหรือสีลิงดำเขาบอกว่า ให้ฟังทำตอนนอนหลับยมยมก็เลยเปิดแล้วยมก็นอนสมาธิไปเลยมันก็เลยก็เลยได้ได้นอนสมาธิกับไม่ได้นั่งสมาธิอ่อเมื่อ ท, ที่ที่แล้วนอนหลับนอนหลับดีกว่าอย่าพูดนอนสมาธิเลยมันโก้ Go แล้วเกินนอนสมาธิเออกามาค่ะ แต่แบบมันเรารู้เลยแบบว่าเหมือนมันเหมือนอะไรมาบีบคอเราแบบมันเสียงมันแบบเสียงมันหายไปหมดเลยนะพระอาจารย์จะสวดมันยังสวดไม่ได้เลยอืเพิ่งเพิ่งจะมันดีขึ้นเมื่อสองวันที่แล้วเองเมื่อเมื่อวันกนกับวันพระนี่ยค่ะฮขนาดอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วตอนโยมฟังพระอาจารย์นะเมื่อวันอาทิตย์อะตอนที่โยมฟังพระอาจารย์ฟังฟังอยู่อยู่ก็หลับไปเลยหลับไปซะอย่างนั้นแหละ แบบมันยังไม่ค่อยหายดีไงแต่ตอนนี้โยมก็หายดีแล้วรโยมก็เลยไปเอาวันนี้โยมมาดูพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ไม่ออนไลน์โยมก็เลยกําลังจะค้นค้นไอคิดที่โยมพลาดไปไม่ได้ฟังกลับมาฟังอีกอ้อาวเราผ่ันไปเพราว่าพระอาจารย์ออนไลน์ก <c oughs> ็เลยดีใจเดีใจค่ะได้ได้กลับมาเจอพระอาจารย์ได้กลับมาถวายบุญกับพระอาจารย์ค่ะดี่จ้ะว่าโยม เอาให้นี่ก่อนนะขาคายยยมน้อมจิตถวายบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะอพระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะคะอะสาธุจ้าคุณยินดียันไงกลับมาอยู่นานไหมก็สองเดือนค่ะรอมนี้ก็เกบเกือบเกือบสองเดือนค่ะยันไหนรู้สึกแปลกไหมเวลากลับมาทีละข้างตาข้าง มันไม่ไม่แตกค่ะก็ mm hmm. เดิมค่ะ mm hmm. ก็อยู่กับ mm hmm. ก็คำพูดคำสอนของท่านอาจารย์ก็มาเรื่อยๆค่ะท่านอาจารย์ mm hmm. เวลาเราอยู่กับน้องชายมันก็จะมีอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆแต่เราก็โอเคอยวาทำข้อสอบก็แล้วกัน ค่ะเนี่ยค่ะก็คือทำมัอพูดอะไรเลยต้องเฉยคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับความอยากของเราแล้วเราก็อทุกอย่างก็เกิดแล้วมันก็ดับอืก็ตามเนี้่ยค่ะถ้าาจแล้วก็เมตตาแล้วก็หน้าที่แค่นี้ค่ะแล้วความอยากดับความทุกข์ก็ดับเองค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ความอยากค่ะเพะความอยากก็ไปทุกข์ค่ะคือ บางทีอย่างเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็อยากให้เขาทาอยากให้เขาทําใช่ไหมคะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดก็เราก็เรา ก, เราก็ไม่ถามไม่อะไรเราก็คิดว่าอ่ะก็ให้เขาดูให้เขาเห็นแต่ถ้าเกิดเขาอยากทําเขาก็ทําถ้าเกิดเขาไม่อยากทําเขาก็ไม่ทําคนเรา mm hmm. เราจะให้เขาเป็นส้มเป็นกล้วยดันใจเราก็ที่อาจารย์สอนนะคะก็เป็นส้มแต่เราก็อยากให้เขาเป็นกล้วย เวลาเราอยากเข้าเป็นกล้วยเราก็อยากให้เป็นแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามเนี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดับที่เราเองก็คื อ, อเกิดการดับทุกอย่างน้องโอย้ย เ, เขาเป็นส้ม อ, อ, อย่างไรเขาเป็นกล้วยชค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าที่อาจา ร, รย์คะแต่ว่าที่ก็ก็บางทีบางทีก<ช>็คิดนะคะบางทีอางารย์ยังโอย้ยเลยใช่ค่ะมันมสนุกไงมันน้องก็รู้สึกว่า คือ <c oughs> บางทีมันก็มีความคิดแย้งนะคะอาจารย์อย่างสมมติว่าแม่ใช่ไหมคะอย่างแม่เนี่ยที่แม่ก็พาเข้าวัดกันใช่ไหมคะคือเราเคยนึกถึงตัวเองใช่ไหมคะเคยนึกถึงตัวเองว่าสมัยก่อนนะเวลาแม่ก็อยากค่ะแม่เราพาเราไปวัดนน่ยคะ่ะ <c oughs> บางทีมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากไปแต่ <c oughs> แต่เราต้องไปใช่ไหมคะก็แกเราต้องไปเพราะเราเราเรารักแม่ใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ไป พอไปไ ป, ไป ม, ามามามันมันมันก็กลายเป็นเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นรูทีนของเราเพราะเราก็ไปกับแม่แล้วก็มันก็โอเคจากการที่เริ่มต้นยังมจะฝืนฝืนมันจะมันเหมือนฝืนเพร่อพราะเรามาเพื่อเพื่อพักร้อนถูกไหมคะแต่แม่ก็ต้องการที่ไปทําบุญเราก็เลยต้องไปกับแม่มั น, มนเหมือนฝืนนะคะแต่พอดี พอเราไปได้เรื่อยมันก็กลายเป็นรูทีนเนี่ยค่ะก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะเอาเขาไปฟังทำไม่เขาบอกไม่แต่เขาแต่เขาเกงใจอยู่แต่จ้าแว่าเราเป็นแม่เขาบอกแต่แม่ก็สอนแม่ก็สอนน้องค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าหนูเหมือนเปรียบเสมือนแม่คนที่สองนะแต่ก็ไม่รู้เขาจะฟังหรือเปล่าจ้า ก็เลยังมีความที่เกี่ยวกับว่าแล้วฟังก็ทำเขาก็ตามตามมาไปต้องงานนั่นเองก็เนี่ยค่ะก็ก็นี่นะคะถ้าอาจารย์ก็เลยมีความที่ว่าเอ๊หรือเราจะต้องเปลี่ยนในลักษณะที่ว่าพาเข้าไปฟังทำตอนช่วงบ่ายสองนะคะถ้าอาจารย์ลองลองลองดึงในลักษณะนี้มันมันจะเหมือนกันไหมคะระหว่างที่ว่าแม่ดึงเราหรือเราก็ดึงน้องเข้าวัดมาหาท่านอาจารย์ ก็ลองดูสิมันมวันนี้จะต้องดูที่ผลเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยค่ะก็แล้วก็บอกที่ว่าเอ๊ะ เ, เขาเราเขาเป็นส้มแต่เราก็อยากจะให้เป็นกล้วยอะไรเนี่ยแต่เข้ามาด้านเข้ามาเท่านี้แล้วมันก็โอเคอยู่ก็คือเขาไม่ได้ทําอะไรเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้เราเดือดร้อนเขาก็เป็นคนดีเขาไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเราก็โอเคไม่ได้จูบลิ้นไม่ได้ท่าไม่ได้กินเหล้าเขาก็เป็นคนดีไงและสระหนึ่งอ่ะ แต่เราจะเอากับเขามากไปหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ห่วงเขาว่าค่ะว่ากลัวเขาจะไม่มีปรรัญญาเวลาชาติต่อไปเพราะยังไงเขาก็ต้องเกิดหรือเราก็ต้องเกิดแต่ก็อยากจะให้เขาได้ดีแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าจารย์ก <ừ> ็เท่านี้ค่ะท่านอาจารย์ทุกอย่างก็จบอยู่ที่ว่าความอยากของเราเท่านั้นเองเนี่ยค่ะก็ถามได้ที่เราไม่ทุกก็โอเคเราก็ทำไปไม่ทุกค่ะไม่ทุกไม่ทุกค<ม>่ะ<ม>ก็ทำไป ก็ด้วยความที่ว่าได้ได้ได้ไ ด, ได้ได้ปัญญาได้ได้ท่านอาจารย์นะคะที่ที่เมตตาเป็นอย่างสูงแล้ววันนี้ก็พอดีมันเด้งขึ้นมาค่ะที่โทรศัพท์มันเด้งขึ้นมาเออเจนนะคะที่โทรศัพท์มันเขียนเลยน ะ, ะเออเจนซูมมิตซ์หนูก็เลยโอ้มีแล้วเหรอทีแรกก็เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเพราะว่าหนูใช้อีกเครื่องเครื่องเครื่องนี้ซึ่งอยู่ที่นูน่นมันเป็นอีกเครื่องหนึ่งหนูก็เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเปิดมาแล้วมีคุณหลา สงสัยเครื่องเรามีปัญหาแน่ๆเลยรด้วยวิธีไหนนะคะก็เลยคุยคุณลาแต่ก็ขอพระคุณในความเมตตาของอาจารย์ในอย่าเสนแล้วคะแล้วก็อันนี้ทุกๆท่านด้วยค่ะท่านอาจารย์โอเคสช้าจุไปเลโก้กอฟกาแฟโซดาตาเนยรำพักการครับก็ยินดีครับก็ตอนแรกก็ก็เหมือนทุกคนก็รู้สึก หายแป๊วไปทอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็ฟังที่หลาทีมงานแจ้งมาก็ไม่เป็นไรแล้วก็เห็นเด้งขึ้นมาก็รีบเข้ามาเลยครับอืมก็วันนี้ก็เรื่องสมาธิแล้วก็ปรจัจารสมาธิก็ก็พอฟังจากพี่พระอาจารย์เข้าใจก็คือที่พระอาจารย์เทศแล้วก็ได้ปฏิบัติก็คือเข้าใจมากขึ้นคือ ในทางปฏิบัติเขาบอกว่าอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่เฉียดชานแต่จริงๆอะ่ะในทางของวัดวัดสายวัดป่าเนี่ยเราจะมีแค่พณิกะสมาธิกับอัปปนาสมาธิถ้าอุปจารสมาธิมันเป็นสมาธิที่ไม่เหมาะในการภาวนาก็เลยไปปฏิบัติก็คือว่าดูลมหายใจดีกว่าครับก็จะก็เริ่มปฏิบัติครับแล้วก็อดอาหารวันนี้ก็ไปตรวจสุขภาพมาก็ คือน้ําหนักก็ลดไปประมาณสามกิโลครับแล้วก็ลดไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ก็ก็ก็คือมาทําต่อครับอก็คือตั้งใจทำต่อครับอันนี้ลดไปเรื่อยๆลดสักสิบกิโลก็ก็ได้ได้นําคําสอนไปปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องตั้งเป้าหมายไหมถ้าไม่ตั้งเหมือนเดิมก็ไม่ไปไม่ถึงกลัวเลยไม่กลัวไว้กลัวล้ว ไมกลัวแต่ไม่กล้าตั้ง <c oughs> ตั้งตั้งก็ได้ครับเดียผมว่าตั้งในมือถือแล้วมันจะมีแอปแอปกดอาหารเนี่ยผมก็ตั้งไว้ว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็พยายามตั้งอยู่แต่ใจใจเราไม่ดีต้องตั้งที่ใจจะไปตั้งที่มือถือ <c oughs> ตั้งใจเลยใช่ไหมครับคนที่ทำก็คือใจไม่ใช่โม่เถือทำไม่ไห้คอับเข้าใจแล้วครับตั้งอะไตั้งใจทำ่าเป็นดูทำมาไป็นดูม่เถือมันก็เลือมเลตั้งตั้งผิดครับต้องตั้งที่ใจแล้วก็คิดไปเลยในใจว่าควรจะทํายังไงแล้วก็ก็ทําเพราะไม่รู้จักต้องมีสัจจะตั้งใจแล้วก็ต้องมีสัจจะทํางใจตั้งใจแล้ว ต้องชัดด้วยครับต้บองในความเพียรความพยายามแล้วก็ความอดทนครับเพื่อทำสาเร็จ <c oughs> โอเคน ะ, ะน้อมนําไปปฏิบัติความเพียรความพยายามความอดทนครับโอเคป้าชิดจะแจะม่มวันนี้เข้ามาดึกหน่อยนะจะตีนอนแล้วเห ร, รอหลังามัสการพระอาจารย์ครับ จะตีไปนอนแล้วครับจะส่งการบ้านหรือเปล่าอ่ะทีนี้ขอไม่ส่งครับเพราะว่าจะตีไปนอนอ๋อไม่มีเพื่อนเนี่แต่แต่อย่ารายงานผลการนั่งสมาธิครับอ่าาก็คือตอนที่นั่งสมาธิครับก็ใช้การพิจารณาความตายครับว่าทุกๆวินาทีทุกๆวันก็จะเวลาเหลือน้อยลงครับ ได้ยงๆงเราได้ผลยังไงได้ผลก็คือจิตสงบจิตสงบค่ะสงบจากการพิจ า, ารณาแค่นี้เหอก็คือบางทีอะค่ะถ้าเกิดท้องพุทโธพุทโธเราแบบมันไม่สงบก็เลยให้ใช้วิธีว่างั้นเราคิดถึงเรื่องความตายอยู่กว่าอะไรเงี้ยค่อยๆไล่ตายวิธีละคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำให้เขาสงบได้ได้ดีกว่าท่องพุทโธบางครั้งนะคะแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ มันสงกแล้วนะสงบแบบไม่ฟุ้งซ่านใช่ไหมมันไม่มันจิตยังไม่รวมใช่อ่าถ้าจะให้มันรวมมันหลังจากที่มันสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็กลับมาที่ลมแล้วกลับมาที่โซ่ต่อเข้าใจไหมเข้าใจครับอันถ้าคิดมันหายฟุ้งซ่านนั่นเองแตมันยังไม่ยังไม่สระยังไม่เป็นอัปปนาสมาธิยังไม่เป็นอานิจจสมาทิจิตยังไม่นิ่งองคับ ยังไม่ศักด์แต่ว่าเรอาจารย์นะอาจารย์ครับอืมฉนั้ น, ะ น, นถ้าเกิดม็นฟุ้งแล้วต้ใช้ปัญญามาสกัดมันเอาเอาใ้ฟุ้งแล้วก็ต้องกลับมาทำต่อทำพุโทโธแล้ดูลมหายใจต่ อ, อแล้วว่าสงบสงบนี่มันไม่ใช่สงบช้องสมาธิมันสงบจากความฟุ้งร้านแต่ยังไม่สงบ สมาธิสร้างมาองสมาธินี่จะเป็นเป็นของที่แบบประหลาดว่าสะจาใจใจนัมม่คสับ<ะ>อย่างลังจากที่มันหายฟุ้งแล้วก็ต้องทำต่อต้องดูลมต่อไปแล้ใช้พุศโธต่อไปมันจะรวมเป็นสมาธิได้<ะ>สงบแบบไม่ฟุง้งกับสงบแบบรวมไม่เหมือนกันเพราะอะไรอาจารยเนี่ย มีอะไรค่ะมีอยไรไหมไม่มีแล้วค่ะไปที่คุณจอยต่อขอบคุณอาจารย์ครับออาลูกชายเข้านอนเลยวันเช้าเนี่ยใส่บาตรกระห่าวเมื่อวานนี้วันไหรเมื่อวาค่ะเมื่อานี้เขาห่าวตลอดเวลาค่ะว่านผ้าผ้าใหญ่เะมาเขาเขาพาเขาไปใ่เขาห่านอนนอนแต่กลเช้า ใช่ค่ะห้องนองกับพี่สาวของอืเขาไม่ยอมนอนเลยเหนูจะบอกว่าหนูก็หนูปฏิบัติหนูอานะคนที่ด่าที่ว่าหนูอ่ะหนูทําได้เหมือนกับเขาก็ด่าเขาว่าหนูแต่หนูก็ไม่โกรธเขาแล้วก็ท<อ>ําดีกับเขาตอบกลับไปค่ะอี่บานคนที่เราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก็แล้วกันคนที่เราเตรียมตัวไว้ก็ไม่โกรธเดี๋ยวมีคนที่เราไม่ไเตรียมตัวบรรดาเลยมันต้องไม่หมดทุคาค่ะ คนข้างๆ ห, หนูแล้วหาดาต้องต้องพิจารณาทุกคนเหมือนกันหมดอาย<ะ>ดายเราเหมือนเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่เราไปห้ามเขาได้ปล่อยเขาด่าไป<ะ> อ, อยู่ที่ว<ต>่าเรารับได้เราก็ไม่โกรธถ้าเรารับไม่ได้เราก็จะโกรธแตอนหนูก็หนูเริ่มไม่โกรธมากขึ้นละเหมือนกับข้างข้างๆหนูก็อืเดือนนี้ก็พูดแล้วหนูก็เริ่มแบบ กเดียบนะพอมันรู้วิธีแล้วต่อไปมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นกับใครก็ได้ต่อไปหรือถ้าก<น>่อก็จะได้รู้ว่าเราผ่านไปเราจะต้องซ้อมใหม่ต้องทํากันบ้านาาหนูรอค่ะจังหวะถ้าไอ้ลูกสาวคนโตมนกลับมาจากเชียงรายอีกเดี๋ยวหนูอาจจะไปบวชอีกค่ะดไปเรื่อยๆนะข้างหน้าไปเจอในเทียนหนอนดีกว่าไม่ก้าวหน้าเลยนะค่ะค่ะโอเค ภาพาไปใส่บาตเหมือนเดิมนะค ะ, ะ, ะ, ะคุณครูนี่อาจารย์เป็นยังไงกับประ ก, การค่ะพระอาจารย์ก็อ่านบทคสองทุกวันค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ค่อยๆพิจารณาไปค่ะจะเป็นคนแบบว่าถ้าเห็นอะไรก็จะดูแล้วก็อ๋อ ก็เป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะพระอาจารย์ตื่นในเช้ามาพ่อไปโรงพยาบาลเห็นอะไรก็บอ ก, ก, ออกอว่าก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละอะไรก็ทำามมันต้องไปถามว่าทําไมมันก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นหนูบอกว่าเห็นสัตว์โดนเหยียบร่างกระจายก็ยสงสัยจะเป็นสุนัขกานะคะ่ะหนูก็บอกว่ามาแผ่เมตตาไปทางใครทางมันเราก็คิดว่าถ้าเราก็จะเป็นแบบนี้อะมันก็ไม่มีอะไรหนูก็บอกอย่างนี้ยตายสุดมาก็จะเป็นแบบนั้น ไปโรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรพอ่อรอกก็เป็นคนชอบเดินแล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายสุดก็ไม่นี่มีอะไรคับพระอาจารย์ hmm. ดได้ยินได้ฟังได้เห็นก็มันก็แค่นั้นมันเหมือนกับว่าใจก็เบาขึ้นมากคับพระอาจารย์ mm hmm. แต่มันก็มีบ้างที่บางทีอาจจะมาเจอหลานเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็ดึงเข้ามาได้เร็วหน่อยหนึ่งค่ะพระอาจารย์ค mm ือ hmm. ไม่ไหน่อยหนึ่งเป็นหนูว่าเร็วขึ้นค่ะพระอาจารย์ Mm hmm. แล้วเราก็รู้สึกว่าใจเราเบาขึ้นอันนี้ก็จากการที่มันจะเดินได้มันจำวิธีปล่อยวางหน้ามันจำปล่อยวางนะครับอาจารย์หนูก็เลยแบบก็ไม่เป็นไรหนูว่อ่ะอยู่ไปอ๋อคนแก่กับเด็กเราก็พิจนารณาไปเพราะท้ายสุดมาก็คือไปสูงขนาดไหนก็คือโน้มลงมา mm hmm. สู่ที่เดิมมันก็ไม่วนไปไหน แต่ก็พิจารณาไปว่าทุกคนพร้อมที่จะจากเราไปไห้กระทั้งตัวเราเองะครับอาจารย์อ่อดูไปได้ดูส่วนส่วนไหนปล่อยได้ก็ปล่อยส่วนนี้ยังไม่ปล่อยก็เอาไว้อยากปล่อยให้ได้ค่าบ้านอนเกิดต้องสูนก้อนเงินก้อนทองไปเลี่ยจะจะปล่อยได้ไหมก็ก็เริ่มได้เยอะแล้วนะคะอาจารย์เพราะว่าเกิดความเสี่เสียค่อนข้างเยอะค่ะอืแต่ก็ ก็เลยมานั่งคิดเจรณานะท้ายสุดมาก็ไม่ใช่สมบัติของเราก็ค<ม>งจะเป็นสมบัติของลูกผ่าอาจารย์มันก็ไม่ได้เอาไปกไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ค่ะแต่บางคนก็แซลลนะคะเพราะว่าเออทำไมยังรักสวยนักงามไม่ใช่ก่ะหนูรู้ว่าหนูทําอ่ำดูแลร่างกายนี้ไปเพื่ออะไรที่หนูจะได้แบบเก็บเกี่ยว<ม>สิ่งที่หนูตั้งใจเอาไว้อ่ะค่ะผ่าอาจารย์<ม>เหมือนที่พระอาจารย์เ อ, อให้พรหนูตอนมันเกิดหนูก็อ๋อ โอเคเราต้องรักษาร่างกายของเราไว้เพื่อที่เราจะได้ดเก็บเกี่ยวอ่สิ่งที่เรา่ตั้งใจเอาไวะคะ้ค่ะพระอาจารย์ให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าตอนที่แก่ตัวลงมาเราอาจจะไม่ได้ไปไปไปไปแบบนี้ไม่ได้อะคะ่ะพระอาจารย์ในขณะที่กําลังมีกําลังวังชายอยู่เราก็จะค่อยๆสะสมไปะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็คิดอยู่แค่นี้แต่ว่าจะจะสวยจะงามหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นผลพลอยได้ แต่เราก็รู้ว่ามันก็ต้องไปอยู่ดีครับพระอาจารย์หนูเข้าใจเราไม่หลงไม่แล้วกั น, นเดี๋ยวเราก็ทำไปตามตามปอะเพณีเข้าสังคมจะออกไปเจอคนก็ต้องมีการเตรียมตัวให้เรียบร้อยใช่ไหมไม่ใช่ผมเผากระเจงิงไม่หวีเผาไม่หวีผมน้ําไม่อาบนี่มันก็มันก็ไปเข้ากับชาวบ้านเขาไม่ได้ใช่ค่ะพระอาจารย์แต่เพียงแค่ว่าให้เราให้เรารู้ว่า เรามีหน้าที่ทำอะไรก็แค่นั้นนะคะพระอาจารย์อย่าไปลงก็อย่าไปลงกัรูปร่างหน้าตาแล้วกันก็ไม่ได้ก็คิดว่าตัวเองไม่ได้หลงแต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงเพื่อที่เราจะได้ทําบางสิ่งบางอย่างให้เราได้เยอะมากที่สุดแค่นั้นนะคะที่หนูตั้งใจเอาไว้ค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรครับพระอาจารย์ก็จะฝึกนะครับ ด, ดูที่ตัวดูที่ตัวทุกอย่างเดียวทั้งปฏิบัติมีทุกที่เกิดและมีทุกที่ดับเท่านั้นถ้าทุกเกิดก็ตามให้มันดับให้ได้ถ้าไม่เกิดก็ถ้ามันไม่เกิดก็ไม่มีปัญหาค่ะคาะพระอาจาราำำาาย์ครับน้อมนําค่ะพระอาจารย์ไปฝึกค่ะคุณอภิสิทธิอภิสิทธิสกุลตะกอนกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ กังจทุกวันครับอาจารย์ออมีอยู่ครับฝึกสมาธิอยู่ทุกวันครับอาจารย์ตอนนี้ก็เพิ่มเวลามากขึ้นครับอาจารย์พอเพิ่มตอนตีหนึ่งลุกขึ้นมานั่งแล้วรู้สึกว่ามันเอ่อมันมันได้ดีกว่าตอนตอนก่อนนอนกับตื่นนอนครับอาจารย์ใจเรียนขึ้นไหมเอ่อดีขึ้นอยู่ครับพระอาจารย์รู้สึกดีขึ้นคือตรจสอบดูไปข้างในแล้วดีขึ้นแต่ยังไม่ทันได้รวมหรอครับอาจารย์อืแต่รู้ว่าดีขึ้น ไอ้มือนในชีวิตประจำวันใจเราเย็นลงไหมครับครับเย็นลงอยู่ประชาน<ม>กาั้นกั้นก่อจิตของจิตไม่เยอะครับประอาน ม, มีอยู่แต่ไม่ยังยังไม่เยอะเทาไม่เยอะ<ม>อยเยังเย็นลงปล่อยวางได้มากขึ้นนะครับอโอเคนะอันนี้ก่อนนะขอบคุณประชาน ค, คุณจีบกับ h o m แล้วจีบยังเวลาแนละ้ว ว่าเจ้าขอมาทานทอดผ่าโยมับเดี๋ยวมายุ่งมากเลยสองอาทิตที่ผ่านมาค่ะพระเจ้าวันนี้ไม่ได้ทํางานนี่วันนี้ทำค่ะเดี๋ยวโยมมานั่งคุยข้างนอกวันนี้ทํำมามแต่ว่าทําที่ทํางานแต่ว่าอินเตอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีค่ะคนก็เลยไม่ค่อยเข้ามาในออฟฟิศวันนี้ค่ะอืมันเป็นมาเมื่อวานสองวันแล้วค่ะงานเงินบาลงภาษีมันผ่านไปได้แล้วนะ ใช่ค่ะเบาแล้วค่ะแต่เดี๋ยวคือมันให้สำหรับคนที่ extend ก็ได้ยาวไปถึง o c t o b e บอร์สิบห้าค่ะก็เดี๋ยวจะประยุกต์อีกทีหนึง่งเดือนกันยาค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีค่ะพระอาจารย์โยมมีคำถามคือแม่โยมค่ะบางทีเขาก็บอกเขาไม่ได้เครียดแต่หนุกโยมรู้สึกว่าเขาคนเราบางทีเขาก็ไม่ค่อยรู้ตัวว่าเขาเครียดพอแม่โยมเครียดเขาก็เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะโยมก็เลยแบบ เหมือนในความเป็นห่วงแม่รักแม่ก็เลยเหมือนจะสอนแม่อย่างเงี้ยโยมรู้สึกว่เอ๊ะหรือว่าเราไม่ควรจะสอนพ่อกับไม่ควรจะสอนแม่หรือเปล่าว่าแบบให้ปล่อยวางให้อะไรแบบเนี้ยยมก็เลยนเนี่ยเพราะวะ่าไม่ควรสอนนะท่านเป็นผู้ใหญ่ก็่าเรเมื่อจากท่านคําขอคําปรึกษาจากเราเราค่อยบอกท่านไปเอา้าท่านพูดขึ้นมาก่อนเราก็าไม่ควรต้องไปบอกว่า ถ้าแม่ถามว่าต้องทําไงดีช่วยบอกหน่อยสิต้องบอกมาอยู่ดีๆท่านไม่ได้ถามเราไปบอกแม่ต้องทำอย่างนี้แม่ต้องทํานี้ก็เลยเอาไปเรียกว็เป็นห่วงนะคะก็ไม่ถึงกอนเราเป็นใช่ค่ะก็พอเป็นห่วงแบบไม่อยากให้ท่านเปลี่ยนก็เลยแบบว่าแม่แบบเดี๋ยวเราก็ต้องโดนลูกเราพูดเหมือนใช่ตอนนี้ก็เป็นแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นแล้วค่ะว่า <c oughs> ลูกสาวก็เป็นแล้วเวลาเวลาลูกสาว ม, มาบอกเราต้องทำอย่างนั้นแต่แต่ของโยมของโยมบางอย่างคือบางอย่างเขาดีนะคะลูกสําหรับลูกโยมหมาเขาจะพูดแบบเออถ้าแบบเป็นเรื่องแบบ psychology อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดดีแบบอันนัไม่ใช่เขาแบบไอพวกปรัชญาอะไรแบบเนี้ยเมื่อทีลูกก็จะแบบแม่รู้ไหมว่าแม่พูดอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยโยมก็เออมานั่งมองเหมือนเขาก็มาเตือนสติเราเราก็เออเห็นเออเออมอง ก็โอเคค่ะแต่บางอย่างลูกจะป่นแบบอย่างเช่นเอ่อเย่างบางทีเขาก็จะบ่นแบบอยากกินของจังฟูดมาโยวก็แบบเอออย่างเงี้ยยงก็เออแม่รู้แม่รู้แม่รู้แม่แค่อยากอยากได้อะไรรวดเร็วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโยงก็ตอนนี้พระาอาจารย์พูดยงก็เห็นภาพเออใช่ใช่ใช่แม่คงคิดแบบนี้กับเราเหมือนกันมันเป็นกองกรลคงเกวียนนะทำใครไว้ในวันน้องก็างแก ก็แต่โยมก็อยากไปผนิบัติแม่ค่ะแล้วอย่างนี้ลูกโยมก็ไม่ได้มาผนิบัติยมสิค่เพราะว่าโยมผนิบัติแม่ไม่ได้เี่ยอยู่คนละประเทศแต่ผนิบัติได้วิธีสงวนไปก็ได้มันจะ<ก>มีเรื<อ>่ไปตัวอย่องอางเราประหยากไายกันเราก็ากกนึกถึงเวลาเราแก่เราก็อยากให้มีคนมาบีบนวดบ้างทำไมานี่มีเงินทุกอย่างมันมีเงินทะเงินถังมาได้ทุกอย่างไม่ต้งกลัว เงินบรรดาลสุขค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารยังบรรดาทั้งทุกทั้งสุขค่ะงามตนก็ก็ดีค่ะเมื่อกี้ฟังพระอาจารย์พูดกับอญาติธรรมท่านอื่นเรื่องทุกเรื่องสุขเรื่องใจรักอะไรเงี้ยโยมก็รู้สึกว่าเอิญปรญญาอย่างเรื่องสมาธิกับปัญญายมก็เห็นภาพก็ดีค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ปล่อยวางถ้าสมมติว่า เรามีเรื่องเดิมมืกันทุกแล้วเราไม่สุขไม่รู้สึกอะไรเลยแปลว่าเรามีปัญญาขึ้นมาในเรื่องนั้นแล้วใช่ไหมคะปะา้าจ่าใช่ใช่ไมาทุกกว่านั้นเราปล่อยมันไม่ลนนะค่ะ แ, <ต>แต่ว่ามันก็ทุกทุกกระบรอมีโยมก็บอกเพื่อนก็บอกท้าแม่มีแต่ทุกโยมก็ดีแล้วเราจะได้ไม่หลงสุขไงถ้าเราทุกเยอะก็แปลว่าเราก็พยายามไม่อยากให้ทุกอินก็จะได้ไม่ต้องมาเกิดแล้วไง กันเลยไม่รู้พูดถูกพูดผิดแต่บางบางทีเราก็ถูกเหมือนกันแล้วก็ไม่กล้าบอกใครต้องไปสอนเขาไวเยอะค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงพระอาจารย์ก็ดีใจมากเลยค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจาร์ทัทานแข็งแรงอ่าโอ้ลืมลืมสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ย้อนหลังนะคะขอให้พระอาจารย์ทัดทนแข็งแรงแล้วก็พี่ีทีมงานแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านด้วยนะคะ สาธุค่ะาธุค่ะไปที่เป็นปิยวรรณตอเป็นปิยวรรณอยู่ที่ไหนเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะการรัชการพระแล้วค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเจ้ค่ะพระอาจารย์กรุงเทพตอนนี้อยู่บ้านมาอ่างจังหวัดค่ะธรรมดาล้วอยู่กรุงเทพก็ฟังมาจากของคุณหมอวีเหมือนกันค่ะ Mm hmm. เมื่อวอา ท, ที่ผ่านมาก็ไปถ า, ามคำถามใน y o u t u ู e ของคุณหมอวีเหมือนกันค่ะ mm hmm. แต่วันนี้ก็คือมีปัญหาคำถามมาถามพอาจารย์เหมือนกันค่ะ <Yeah. S 2> คือตอนนี้นะคะ่ะในบางครั้งก็รู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่กับใกล้กับ ใครบางคนเนนะคะพรอาจารย์เราจะรู้สึกเหมือนเราเกิดโทสะอะค่ะหรือแม้ก็เกิดความรําคาญหรือแม่เรารู้สึกกระสับกระส่ายขึ้นมาโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะและ้วทีนี้เราเหมือนเราไม่มีสติมากพอเราควรจะทําอ่าคนคนทํำยังไงอะคะพรอาจารย์เวลามีอาคติเราไม่ชอบเขาโดยการที่เราเปลี่ยนว่าเราไม่อยากจะเห็นหน้าเขาโดยเห็นหน้าเขาแล้วคิดไปในทางลบอืม คุณพบอกให้พยายามแผดแผ่เมตตาให้กับทุกคนคนที่รักหรือไม่ชอบก็ทั้งได้คนที่เรารักทั้งคนที่เราไม่ชอบก็แผ่เมตตาให้กับเขาถ้าแผ่ไม่ออกก็คิดถึงเวลาที่เราเราเราแผ่เมตตาให้กับคนที่เราชอบเราแผ่ได้ใช่ไหมมันง่ายเราก็เอาเอาเอาความรู้สึกนั้นมาแผ่ให้กับคนที่เราไม่ชอบพอ เ, เขาก็เป็นคนเหมือนกันมีอาการสาริดสองเหมือนกันร่างกายก็เหมือนกันอืม เขาต้องการความเมตตาเหมือนกันต้องพยายามหัดแผ่หันให้ความเมตตากับทุกคนนะเราแผ่กับเขาแบบเรายิ้มให้เขาอาจารย์นทักทายสัสดีคข้าทําอะไรอย่าไปอหน้ามึงตึงอย่าไปอะไรอย่างกันก็หัดยิ้มกันทักทายกันสบายดีเลอหรือถ้ามีของของมาฝากบ้างก็ดีให้เขาไปบ้าง มีของกินของใช้เรื่อยที่เรามาแบ่งปันกันได้ก็มาแบ่งปันกันด้คำถางนั้นค่ะแล้วก็ฟังพาอาจารย์มาหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับว่าสติกับสมาธิรู้ว่าตัวเองตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีสติอะคะ่ะในบางครั้งก็เลยอยาขอคำแนะนำจากพระอาจารย์นะคะว่าคนที่จะเริ่มฝึกยังไงดีคะก็อย่างที่ได้พูดตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นนอนขึ้นมาตอนนั้นเรายังไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องไปใช้ความความคิดกับใครเราก็พยายามฝึกใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปปลุกใจไว้กับร่างกายอย่าให้ใจไปคิดนั่งยืนให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังยืนกํนาลังเดินกํนาลังนั่งกําลังล้างนหน้าแต่งฟันกํนาลังแต่งเนื้อแต่งตัว ให้พยายามผูงใจไว้อยู่กับการเคลื่อนไหวการดำเนินของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นนี่ น, น, น, น, นี่วิธีจลาจลสติถ้าเราก็ควบความคิดได้ไม่รับคิดเรื่อยไปอาการทุกข์สั้นอาการเครียดต่างๆก็จะเบาลงน้อยลงเวลามันมนั่งสมาธิมันก็จะนั่งได้สบายมันก็จะสง บ, บได้แต่ต้องพยายามทำให้มากๆ มฝึก ท, ทุกเวลาเลยนะครับที่เราตื่นได้ถ้าเป็นไปได้พยายามฝึกให้มันอยู่กับร่างกายไปรน่ๆตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรกําลังเดินเดินไปกับร่างกายไม่ใช่เดินไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไม่ให้คิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องที่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหวอยู่อย่างเดียวกําลังทำอะไรอยู่แต่<ะ>นี่ก็ยากรับ วันในชีวิตประจําวันพอมันเริ่มไปทํางานทําทการมันต้องคิดเรื่องต่างๆก็ไม่ใช่ตื่นอยูงานที่เราทําไปคิดเรื่องงานเรื่องการได้แต่จะไม่ต้องคิดแต่อย่าไปคิดนอกเรื่องนอกทางไปอ่านเป็นเรื่องๆไปค่ะแล้วก็ตะเกียกค่ะที่พระอาจารย์ตอบคําถามของญาติโยมท่านหนึ่งค่ะเอเหมือนตัวเองเข้าใจเกือบเข้าใจทั้งหมดแล้วค่ะว่าเวลาเราโกรธ อาจารย์บอกว่าไม่ไมีเหตุที่จะต้องไปโกรธหรือกเกลีดยดใครหนูเข้าใจแล้วค่ะว่าเหมือนแต่ยังเข้าใจไม่หมดนะคะอยากดบกวนผระอาจแนะนําตรงนี้ว่าบางทีเราไปปรุงมากเหมือนกันคาจนเราโกรธคนอื่นจนแบบโกรธไปแล้วแล้ถึงจะมีสติอย่างเงี้ยค่ะในความโกรธมันเกิดจากความอยากของเราเ่ะอยากให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แล้วพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ค่ะวเาไม่ทําตามที่เราอยากเราก็โกรธเนี่ยเราต้องลดความอยากลง ต้องยินดีตามมีตามเกิดอันเพิงนิสัยชั้นโดดเราก็ <c oughs> คุมบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เดี๋ยวเราต้องพร้อมที่จะรับทุกรูปแบบเขาจะพูดอย่างนี้ก็ได้เขาจะทำอย่างนี้นก็ได้แล้วเราก็จะไม่โกรธเขา <c oughs> ต้องหัดปล่อยวางใช่ไหมคะอาจารต้องเข้าใจว่าเขาเป็นเหมือ น, นดินฟ้าอากาศเี่ย เนี่ราก็กลุมเราสั่งดินฟ้าอากาศ้พวกนี้เอายีบเจ็ดองศานะไม่เอาเกินนั้นสั่งไม่ได้โอเคค่ะอกัน <c oughs> พวกนี้ต้องพูดดีกันท่านนะไปสั่งเขามันสั่งไม่ได้เขาอยากจะพูดไม่ดีเขาก็พูดไม่ดีขึ้นมา <c oughs> ทำทารมาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วทีนี้จิตใจก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะในการบางครั้งก็เอาไปเตือนใจตนเองทันบางครั้งก็ไม่ค่อยทันแต่ก็เริ่มเหมือนพุดโทรทันบ้างไม่ทันบ้างก็ใจลต้องฝึกวางค่ะต้องฝึกไปเรื่อยๆอันนี้สายเดิมมันยังยังเปลี่ยนยากอยนิสายเดิมมก็ยังยึดมั่นถือมันยังอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ค่ะเราไม่มองว่าผทุกอย่างมันเป็นตายร้านเป็นอนัตตา อันเนท้าอากาศเป็นนินท้าอากาศเราไม่สามารถไปควบคุไมไปสั่งเขาได้ตลอดเลยหรอลได้ค่ะค่ะยังไงจ ะ, ะจ ะ, จะค่อยๆฝึกไปแล้วก็ฟังพระอาจารย์เพื่อเป็นอุบายก่อนในการทำให้จิตใจสงบมากขึ้นคับพระอาจารย์ค่ ะ, คะ ส, สติก็สำคัญสมาธิก็สำคัญที่เราพูดเมื่อกี้นั้เรื่องของปัญญาค่ ะ, คะมันก็ต้องสลับกันทำให้ให้มันครอบทวน สติก็ต้องทําสมาธิก็ต้องทําแล้วปัญญาก็ต้องคิดด้วยสรับ ก, กันไปได้เจ้าค่ะอาจารย์มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะก็พยายามทําไปนั่นแหละพยายามอยู่นะความสําเร็จอย่านั้นอย่าท้ออย่าเลิกนะค่ะอืค่ะอาจจะต้องล้มลุกคลั่งไปบ้างก็อย่าท้อขอบขอบขอบคุณภอาจารย์มากค่นะอนะนะนะสาึงสาธุค่ะ น้องพีน้องพีครับ้องชื่อไหชื่อน้องพีหรือเปล่าใช่ครับแตบบ่ละมาตการหลวงพ่อครับยังไงนอนเดึกในวันนี้ตั้งสี่ชั่มกว่าแนละ้ว ง, ง่วงนะครับหลองตาถามว่าน้องพี่นอนเดึกไม่ง่วงหรอครับง่วงครับง่วงนะแต่ยังทนอยู่นะครับอือมีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าน้อยอยากถาม นอยอยากถามว่าถ้าเกิดว่าเราทุกข์มากๆเนี่ยทุกข์นี่ยเกิดจากกิเลสถ้าเกิดว่าเราอยากได้อะไรแต่ว่าเราทาไม่ได้เราก็ทุกข์มากแล้วอะไรที่จะทำให้หายทุกข์ได้นอกจากคำว่าพุทโธครับก็เปลี่ยนใจเลยอยากได้อะไรก็ไม่อยากเลยเปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้อยากให้แม่ซื้อตุ๊กตาให้ซื้อของเล่นให้พอแม่ไม่ซื้อให้เอาแม่เอาก็ได้เปลี่ยนใจไปก็หายทุกข์ มันจะเปลี่ยนใจจากาอยากได้ให้เป็นไม่อยากได้ไม่อยากได้ก็จบครับเข้าใจไหม ถ, ถูกต้องไหมถูกต้องครับ huh? อืมลองทําดูถ้าเราขออะไรแล้วไม่ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เอาก็ได้ก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าอยากจะได้อยากจะได้พอยังไม่ได้ก็ยังจะทุกข์อยู่นั่นแหะ แล้วไม่อ ย, อยากจะทุกขเขาเขารู้ว่าไม่ได้เขาเปลี่ยนใจไปนะเอาก็ได้เขาบอกเปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้ก็จะประชดไม่ประชดเล้เราเราไม่ต้องบอกเขาเลยเฉยๆแล้วเปลี่ยนใจในใจเฉยๆไปนั่นเราทําใจเฉยๆไม่ต้องไปบอกเขาอันนี้เราพูดกับตัวเราเองเข้าใจนะนี่มไม่รู้ครับเอนะ อครนะฮะใครจะทำอะไรครเขาจะไม่ทําตามที่เราอยากได้ครัเราก็เฉยๆไปไม่เอาก็ได้ภายในใจเราแต่อย่าไปพูดต่อหน้าเขาเดี๋ยวเขาจะเอาไปไปไปัญชดเขาเราไม่ได้บัญชดเราเองแต่ต้องการดับความทุกข์ใจของเราคไม่เปลี่ยนใจเปลี่ยนจากอยากให้มาเป็นไม่อยากก็เฉยๆไปคเราจะไม่ทุกข์นะ ทำได้ไม่้องทําำดูนะเวลาทุกข์เราถามตัวเองว่าเราก็ไมอยากอะไรเลยอเราไม่ได้นำใจอยากเราก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องทําใจให้ไม่อยากเฉยๆไปได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเนงะี้ยคิดอย่างนี้ไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่เรจะถามอีกไหมลกูก เขินตอนหน้าลุตามางทีนั่งสมาธิบ้างอบ้าฝึกสมาธิบ้างเบ้างครับครับแต่แต่ว่ามามาให้หนูนั่งตัวตรงแต่หนูไม่ยอมนั่งเพราะว่าเวลนน า, นเนานั่งไม่ตรงมันสบายสำหรับหนูก็ไม่เป็นไรานั่งไม่ตรงก็ไม่เป็นไรขอให้นั่งแล้ปอีพุโทโธพุโทโธไปในใจ นั่งตรงได้ก็นั่งถ้าดันตรงไม่ได้ก้อันมามองหนะ้าความหลงตาเข้าข้างนะหันมามองหน้าอะไรเหมือนกับว่าเห็นไหมว่าหนูนั่งหลังค่อมก็ได้มัน <c oughs> ไม่ดีแต่ถ้ามันทถ้ามันนั่งตรงไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ให้มันนั่งแล้วแล้วพอเราไม่นั่งการเล่นนั่งสมาธินี่ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายแนละ้วเกี่ยวกับเรื่องใจเราต้องการฝึกใจให้สงบ ใ, ใจให้มีสติ งั้นถ้ามันไม่ตรงก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตรงได้ก็ดีแต่ถ้ามาโมเดนคอยดูร่างกายแล้วไม่มันก็จะไม่ไปพุทธโทใจมันก็จะไม่สงบมันก็จะปวดเมื่อยหนูก็บอกว่าเอานั่งท่าที่มันสบายที่สุดเขาก็บอกก็จะนั่งอย่างนี้มอนั่งอย่างนี้มันก็จะทําให้เราไปกดท้องแล้วมันจะทําให้เราหายใจไม่สะดวกอย่างนี้ยค่ะ เขาก็จะแบบว่าเขาก็จะงอแงเลไอย่างเงี้ยแต่เราปล่อยก็นั่งไปดูก่อนเนี่ยแต่ก็ไม่ก้าวแล้วก็สวดมนต์เหมือนกันบางทีแบบอยากรีบสวดเนึ่ยก็สวดเร็วๆหนูก็บอกว่าการที่หนูสวดเร็วอหนูจะไม่ทําหนูมันจะไม่มีสมาธิเลยหนูก็จะสอนรูปแบบนี้เพราะว่าการที่สวดมนต์เป็นการทําสมาธิอย่างหยาบ ถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์ลแล้วเรามีสมาธิการสวดเนี่ยทำให้เราจำบทสวดมนต์ได้คล่องแล้วมันก็จะทำให้เรามีสมาธิแล้วพอสวดมนต์เสร็จแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยทาสมาธิต่อได้เลยบางทีก็แบบสวดเร็วหนูก็บอกอย่าสวดเร็วก็วสวดเร็วอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีประโยชน์เลยต้องสวดให้มีสติ ส่วนรีบร้อนนี่ส่วนด้วยความอยากให้จบจบนีนแสดงว่าไม่ไม่เกิดประโยชน์นะสวนไปไม่ต้องรีบร้อนสวดไปสบายสบายให้ใจเย็นให้ใจสงบเข้าใจไหมครับครับลองสวดให้หลวงตาฟังซิว่าที่หนูสวดเร็วสวดแบบไห น, นมทัสสะอัลเคนอีก <laughs>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 ทุต an ิยัมปีทำมังสารนังคาชามิทุติยัมปีสังคังสรนังคาชามิตัดติยัมปีพุทธังสรนังคาชามิตัดติยัมปีทำมังสารนังคาชามิตัดติยัมปีสังคังสรนังคาชามิโอเคก็ดีเนี่ยถ้างสวยอางนี้ได้ก็ไม่เล็วอย่างนี้เร็วเลยเนี่ยคุณแม่หนยังว่าเขาสวดเร็วเพราะว่าเหมือนแบบขณะนี้กําลังดีกําลังดี มันมันชัดท้อชัดับก่ใช้ได้ชัดค่ะสวดช้าเน้นเน้แต่ว่าสวดเร็วบางทีหนูก็แบบกลัวเขาจะเขาเป็นแบบเหมือนแบบกลัวเขาจะใจร้อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าสวดก็อยากจะให้แบบสวดช้าลงเหมือนนี่อีกนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นการน้อมน่าจะปล่อยให้เป็นน่าจะปล่อยให้เขาเป็นไปตามวัตยาสายก็ดีกว่าแต่ละคนอาจจะมีการสวดไม่เหมือนกันได้อยู่ค่ะ ่ตอนนี้ยังไม่ทําไปน้อมให้เพียงแต่สวดไปก่อนดีกว่าเพราะมันมันมันมันยากทำทําทั้งสองอย่างช่วยไปน้อมไปด้วยหเด็กยังอาจจะไม่เข้าใจเหยไก็สวดไปให้ได้ก่อนดีกว่าแล้วตโตขึ้นให้ก็โตในนี้แล้วค่ะความจริงเวลาสวดมันก็ไม่ต้องน้อมหรอกเวลาสวดมันก็น้อมใจมันก็ไปกับคําสวดนี่ก็ถือว่าน้อมอยู่แล้วค อันนี้เราต้องการจะสวดเพื่อไม่ให้คิดเนะี่ยเราน้อมเดี๋ยวเราต้องไปคิดอีก่นี่ยนะ้ อ, องแล้วแต่นะนี่เราก็อาจจ ะ, ะไม่ไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไปอะไรมากเดี๋ยวอยี่ยขัดกันน้อมน้อมฟังน้อมฟังค่ะจะไปปฏิบัติตามเจ้าค่ะอโอเคอาจจะนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันเด็กแล้ ค่ะค่ะนี่เขาก็รอรอเมื่อไหร่หนุ่มตาจะมาเมื่อไหร่เขาจะให้หนุเข้ารอเป็นอันนี้วันนี้ขาดเข้าหน่อยเข้าสายตอนนี้ไฟยังไม่มีเลยเหรอเจ้าคะอันนี้ยังไม่มีวันนี้เขาต่อไฟมาให้ใช้ชั่วคราวก่อนโอค่ะก็โอเคไม่เป็นไรอาทิ้ย์หน้าะย่าบอกพี่กลับนักการ่ะค่ะไปที่ฟุ้งกีตาร์ต่อฟุ้งกีตาร์ นอน่อยนคนสุดท้ายนี่ยเอาอย่างคนมีชนะ้ายคนการพระจค่ะมารายงานผลการปฏิบัติค่ะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่เขาสูมรอบที่แล้วก็ได้ถือศีลแปดในวันเสาร์อะค่ะก็จิตใจก็สมบขึ้นแต่ว่าพอช่วงหลังจากนั้นวันธรรมดาทำงานเจอคนเยอะแล้วก็ทำกิจกรรมที่เป็นเกี่ยวข้องกับการงานมันก็ยังปุ้งซ่าน บางช่วงก็ก็อ่าไม่ค่อยได้มีสติมากเท่าไหร่ค่ะก็มีช่วงที่ที่พอไม่มีสติแล้วก็พยายามพยายามที่จะเจริญสติตามที่พระอาจารย์แนะนําแต่บางทีพ อ, าางทพอปรุงสั้นมันก็มีมีท้อแท้มีขดหูบ้างว่าเอ๊ะทําไมมันไม่ไม่สงบอย่างที่เราตั้งใจแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็ฟังพระอาจารย์สอนญาติธรรมท่านอื่นแล้วว่าโอเคเราก็ต้องดอดทนพักเพียรต่อไป แล้วเราจะเห็นว่าถ้าเราอยากจะให้มันสงบนี่เราต้องมีเวลาปฏิบัติตามลำพังมากขึ้นค่ะถ้าเรายังต้องอยู่เกี่ยวข้งของกับคนการปฏิบัตินี่มันก็จะลำบากยากเพราะต้องใช้ความคิดมากอย่า ง, งนีน้ต่อไปก็อาจจะอยากจะหาเวลาว่างๆไปอยู่ปฏิบัติคนเดียวเพิ่มาขึ้นไปเองแต่มาถูกทางนั้นจะประเด็นได้ในเรื่องของสติสำคัญที่สุดค่ะ แล้วก็ช่วงที่ที่ปีที่ผ่านมาค่ะก็เจอข้อสอบเจอข้อสอบเลยยังไม่ทันได้ทากันบ้านก็มีความทุกข์หนักนะคะจากการพัดพากจากสิ่งที่รักคนที่รักนะคะคือหลังจากที่ฟังพระอาจารย์ก็ค่อยๆใช้สติใช้ปัญญาแต่ว่ามันก็จะมีทั้งวันที่ ท, ที่ปัญญาก็ทำงานบางวันมันก็ยังเหมือนกับ พิจารณาแล้วมันก็ยังคงถูกอยู่ค่ะพระอาจารย์แนะนำยังไงคะคือบางวันก็ดูเหมือนกับจะเข้าใจอีกวันหนึ่งก็ไม่เข้าใจแล้วก็พยายามดูว่าใจเราเป็นไตลักษณ์เนาะบางวันมันก็ห้ามไม่ให้ทุกข์ได้บางวันมันก็ทำไม่ได้ก็อยู่ที่สติของเราถ้าในสติดีมันก็จะทำใจได้ง่ายขึ้นอะไรสติไม่ดีก็ทำใจได้ยากยังก็พยายามฝึกสติมาก่าก แล้มันจะทำใจได้ง่ายเวลาเราพิจารณาทางปัญญาค่านะจะไปฝึกสติต่ตอไปค่ะอาจารย์ส ต, ติปัญญามันเป็นด้วยกันแต่ส ต, ติต้องนำหน้าก่อนต้องสติตมาก่อนแล้วก็ปัญญาต่อถ้ามีปัญญาไม่มีส ต, ติมันก็ทำใจไม่ได้ยอมรับมไม่ได้แต่ถ้ามีสติแล้วพอปัญญาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันต้องเป็นอย่างนี้เราก็จะรับมันได้ ค่ะพระอาจารย์จะขยันปฏิบัติอดพักเพียรมิยนพยายามเพียรสติให้มากๆได้ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วต่อไปเวลาใช้ปัญญามันก็จะทำใจได้ค่ะค่ะกลาวขอบคุณพระอาจารย์ช่วงสามเดือนคคุณชนัะดาคุณสุดท้านะล้วคนนี้เป็นยังไงสายบ่ายบ่ายเชาที่แล้วกลับหูฟังแล้วกลับหูฟวันนี้ยังอยู่ศรีราชาค่ะพระอาจารย์ค่ะ S <S ก็เอ่อก็จะจะเรียนท่านอาจารย์ว่าเอ่อูกมีความเข้าเข้าใจว่าเวลาที่อยู่ในทางโลกค่ะเราต้องเจออะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันไม่เป็นดังใจอ่ะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะแต่ว่าคือเมื่อก่อนนี้อาจจะยังมองว่าถ้าเราภาวนาอยู่อยู่ที่เงียบๆวิเวกอยู่เสมอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาเราเจอความวุ่นวายแล้วเราหลีกลี ไปอยู่ในแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ได้เจอเรื่องอะไรต่างๆที่มากระทบใจเราบางทีเราก็ไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะผอาจารย์มันก็เลยเป็นเรื่องที่สนุกอะค่ะผ่าจารย์ที่เวลาเจออะไรที่กระทบใจไป่อยมันเหมือนแบบมันได้มันได้รู้อะค่ะผ่าจาย์ อ, อย่างเงี้ยค่ะอ่นมันเป็นการการทําข้อสอบอันนี้เราปรึกตัวไป้เราไปเตรียมตัวทำงานบ้านไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อน<ค><ะ>แล้วพอมา<ค><ะ>จเจอข้อสอบอนี้จะสอบผ่านหรือไม่ค่ะค่ะ ค่ะแล้วก็มีแบบว่าที่ลูกมีความเอเจ็บป่วยอยู่ในคอนะคะที่มันแบบเบางทีมันก็ปวดคอหรือว่ามันก็จะเอมันจะเป็นบางครั้งนะคะพระอาจารย์แล้วตอนที่นั่งสมาธิค่ะบางทีไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะแต่ว่าพอพอมันกำลังสงบเนี่ยในข้างในคอมันจะคันยิบยิบยิยิบยิบตลอดอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นบางจังหวะค่ะพระอาจารย์แล้วลูกก็เลยแบบก็เข้าใจ ลูกเข้าใจโดยส่วนตัวเองนะคะว่าความเจ็บป่วยมันก็มาจากเจ้ากรรมในเวรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเ อ, อลูกก็อธิษฐานบุญให้เขานะคะแผ่บุญให้เขาแล้วขโอโหสิกรรมเค้าอะไรเงี้ยนะคะลูกก็ทําอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังคนัคนๆอีกในในในในเวลาที่จิตสบงบมากๆมันก็ยิ่งคันเยอะมากเลยเ อ, อลูกก็เลยล่าสุดอ่ะลูกก็เลยทําอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ลูกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าแบบ ถ้าถ้ายังจะคันก็ก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของของสังขารเป็นเรื่องของท่านและแต่ว่าสังขารนี้ก็ไม่ใช่ของเราส่วนเราส่วนเราจะภาวนาก็จะเป็นเรื่องของเราที่ที่เราจะต้องทำํำฉะนั้นต่างคนต่างทํำละกันเขาเขาจะคันคอจะคันก็ปล่อยให้คันไปสมมุติว่ามีเจ้ากรรมในเวรจริงแล้วเขายังไม่เอาโหดสิกรรมก็ปล่อยเขาก็เรื่องของเขาไปแล้วลูกก็ทําหน้าที่ของลูกต่อไปแล้วมัน มันก็จบนะคะพระอาจารย์มันก็มันก็ที่สุดมันก็เหมือนแยกปล่อยวางเราปล่อยวางเข้าไปไม่ต้องไปยุ่งเขาค่ะอืมค่ะเราใช้สงบใสงบแล้วใจเราก็ไม่ไม่เดือดร้อนกับเขาค่ะค่ะถูกต้องแล้วเนี่ยมาถูกทางแล้วค่ะพระอาจารย์ไนเจ้ากรรมในเวลานี้เขาเป็นเรื่องปูแต่งของเราเองวันนี้ไม่มีก็ไม่รู้ยังไงอ่าค่ะต้องต้องมองว่ามันเป็นตายรักอดีที่สุดที่สุดมันเป็นอนัตตา เราไปห้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปคเ<ะ>ราไล่มองให้เป็นตายรักเดือดตรงประเด็นคําตอบอยู่ที่ตายรางทั้งหมดสเปรแตมานักตามัเจะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาปัญหาทั้งหมดก็เป็นมันเป็นมาจากการที่เรามองไม่เห็นอนัตตาเนีค่ะอาจารย์ไหนก็มาถ<ะ>ูกทางแล้วเนี่ยในที่สุดก็ต้องสรุปลงไปว่ตัวใครตัวมันเใช่ไหม เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาแล้วก็เป็นเราก็ทําหน้าที่ของเราไปต่างฝ<ช>่ายต่างอยู่ด้วยกันค่ะก็ะะอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมค่ะอ่านแล้วถูกต้องนะค่ะแล้วเวลามีความวุ่นวายหรือ ม, มีมีเรื่องที่แบบ ว, ว่ามันจะต้องมีความขัดแย้งหรือมีอะไรปุ๊บเนี่ยเอ่อพอเสร็จเรื่องหรืออะไรลูกจะกลับมาที่ลมหายใจแล้วลูกก็จะจะปลดมันไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะผ่าจามันมันก็ไม่ติดมันก็ไม่ติด แสดงเขานั่งรู้ทางแล้วนั่เรั่งเห็นธรรมนังน่งเป็นโงบายเห็นธรรมนะค่ะอืพอดูลมหายใจมันก็เงียบมันก็เงียบไปเลยอะค่ะอาจารย์ ม, มันก็เงียบสงบเบาพอดูดูลมหายใจเมื่อไหร่มันก็จะเบาเมื่อนั้นนะคะอาจารย์มีสติพอสติบ้างความคิดฟรุงแต่งก็น้อยลงที่เหลก็กกน้อยลงค่ะดีค่ะ ก็เดี๋ยวจะไปเรียกต่อค่ะพอาจารย์ตามคำสั่งพระอาจารย์เลยค่ะจะไม่ได้สั่งเป็นแต่สอนนั่นเองฟสอนนะคะพอาจารย์สั่งสอนนะคะให้เข้าใจเราไม่ได้สั่งใครเราเป็นแต่สอนทำเป็นทำตามนี้ไม่ไม่ตอนนี้พระอาจารย์บอกอะไรทําทําหมดเลยทําแบบทําตามที่พอาจารย์บอกเลยค่ะไม่ไม่ไม่มีลังเลไม่ติดอะไรทั้งนั้นเลยค่ะพอาจารย์ เดี๋ยวเราเป็นเวรกรรมนะเป็นสั่นไหวทำอะไรก็เป็นเนื้อเป็นอะไรขึ้นมาเ้าจะโทษเราเนี่ยขอะไรอย่างงี้เป็นอย่างเงี้ยเราก็ตัดสินใจอย่ามาอ้างเรานะเราไอยากจะเป็นแพรย์รับบาปโอ้มีบางอาจคะพระอาจารย์พระอาจารย์นะขาหนูอะเออเออลูกนะคะอยากจะแบบว่าพอเห็นเท้าพระอาจารย์บวมอะค่ะก็อยากจะแบบว่าหม เหมือนจะบงังอาจมันบวมมนตั้งสองปีแล้วตั้งแต่ฉีดวัคซีนมันอยากจะให้เท้าพ่อจานหายบวมอยากให้พ่อจายา์เดินได้สบายๆเหมือนเดิมจังเลยครับอันนี้ที่ที่ไม่ได้เดินไม่ใช่เท้าหรอกที่ไม่ได้เดินมันปวดหลังมันเจ็บหลังอ๋อเหรอคะพ่อจานเดินได้สบายไม่เดือดน้องอ๋อใช่ยิ่งช่วงนี้มันบวมเพราะมันไม่ได้เดินถ้าเดินถ้าได้เดินแล้วมันจะมันจะลดลงมันแพยวัคซีนมันฉีดวัคซีนมาแล้วมันก็บวม แต่พอพอได้เดินจงกรมได้เดินขึ้นเดินเป็นตะบารมันก็จะยุบลงอที่มันที่มันเดินไม่ได้ตอนนี้พราะมันเดินแล้วสักสักสามสี่นาทีมันก็เมื่อยหลังปวดหลังขึ้นมาอ่าทั้งนั้นนะที่ไม่ได้เดินไม่ใช่เป็นพอเท้าหรอกเป็นพ่อหลังอืมใช่แค่เองมันก็เป็นองของสัมผาสมันเป็ของสัมผัสของของมันเก่าแล้วมันก็เริ่มมันก็เริ่มเส้นเอ็นมันก็เริ่มเริ่มเติมมาแล้วรู้สึกเจ็บมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนก่อนเหมือนเมื่อก่อน ท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกยอมรับมันไปตามฝ่ายต่างอยู่อย่างที่คุณพูดอย่างที่คุณว่าน่ะทําไมคุณอยู่กับการเก็บความคุณได้ทำไมอยู่กับการปวดเท้าบวมของเราไม่ได้ก็บวมก็ปล่อยมันบวมไปอยากให้พระท่าแฉันพระอาจารย์แข็งอะไรอย่าอย่าแล้วจะทุกอย่าแล้วก็อย่าอย่าอย่าดูตามความเป็นจริงนะ อานาตาอณิจัง่ะไรหลายๆก็เท่านั้นแหละชีวิตจะไป อ, อะไรกับมันมากไปมันจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะสิ้นสุดลงในที่สุดเราเป็นิจารณาทุกคนไม่ว่าใครกาลังวงจาการสมรรถภาพาาาร่างกายมันก็จะลดน้ดยถอยลงไปตามกาลตามเวลาค่ะอาจารย์คะถ้าถ้าลูกแบบยังคือชอบนอนนะคะนอนหลับ แบบเต็มสูบเลยอะค่ะพระอาจารย์คือเอนไม่ได้เอนเอนเป็นหลับเลยค่ะพระอาจารย์คือชอบนอนนะคะอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรไหมคะพระอาจารย์มันก็ทําให้เสียเวลาการปฏิบัติไปลนะแล้วนั่นเองแล้วปฏิบัติได้ น, อนอ้อยลงค่ะถ้าเวลานอนมันปฏิบัติมันก็จะได้ปฏิบัติมากขึ้นแล้วเรากำหนดเวลาเนี่ยน้องมองครับสี่ชวโมงห้าชั่วองว อ, งอรู้สึกตัวป้าก็ลืมลุกขึ้นมาไม่นอนต่อ อย่ามปนอนนอนมันฟูกสบายสบายอย่ามันนอนแบบพื้นแข็งแข็งมันจะได้นอนไม่สบายคแล้วกินให้น้อยหน่อยด้วยกินอิ่มนี้พี่มันก็ทําให้นอนหลับสบายนอนนอนมากถ้ากินแบบไม่ไม่อิ่มแต่กินแบบให้มันไม่หิวยิ่งมันก็จะมันก็จะหลับไม่มากอย่าไปกินให้มันอิ่กินให้มันพอหหิวแล้วก็อยุดถ้าจพหิวนล้วก็อยู่กิน ยังไม่กินต่อยังไม่อิ่มก็เอาอ้ชามนีน่กินเข้าไปแล้วมันก็ทําให้หนังหนังทองตึงหนังตาหย่อนนะค่ะตอ น, น, นรแรกเออ่ลูกก็ตั้งใจว่าจะถือสินทุกวันพุธใช่ไหมคะสินแปดอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่พอตอนนี้ลูกก็เลยตั้งใจใหม่ลูกจะเอาจริงจังก็คือว่าทุกวันพุธเนี่ยลูกจะต้องสินแปดให้ได้เนาะ แล้วก็ถ้าลูกทําไม่ได้อย่างวันเนี้ยวันนี้ทําไม่ได้ค่ะพอดีเพื่อนมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็ไปทานข้าวไปเลยรกันลูกก็เลยจะชดเชยให้เป็นสัปดาห์ละสองวันอย่างเช่นวันนี้ทําไม่ได้ก็จะต้องชดเชยแทนเป็นวันพฤหัสจัดสุ่ยสองวันอย่างเงี้ยค่ะให้ให้คืนอะไรเนี่ยใช่ค่ะแต่ก็ยอมนั่นแหลถ้ามันเป็นวันทํางานก็อาจจะยากหน่อยสินแต่ ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นเช่นนั้นนะคะแต่จะพยายามอาจจะแปลงเวลาได้จากจากเที่ยงวันไปเป็นบ่ายโมงก็ได้เพราะถ้าเราต้หยุดกินข้าวตอนเที่ยงวันเราก็เลื่อนเวลาไปสักชั่วโมงค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมันมันกินข้าวสิบเอ็ดมงไม่ได้เพราะเดี๋ยวยังทํางานอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของเวลาเรื่องของเรื่องของความจําเป็นก็ไม่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะ แล้กันการทํางานนะคะพระอาจารย์มันก็แบบมันดึงมันดึงใจไปอีกทางหนึงเหมือนกันนะคะพระอาจารย์อย่างเช่นของลูกอ่ะมันเป็นงานขายคือมันจะต้องขายให้ได้ใช่ไหมคะเจ้าค่ะพระจารย์บางทีเขาไม่ได้อยากซื้อแต่เราก็ต้องพยายามทําไงให้เขาอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็แบบบางทีเบื่อนะคะไม่อยากทํางานนะคะแต่มันก็ต้องทํามันก็ทํางานลดน้อยลงไปเยอะมากเอ่อตอนนี้ก็เหมือนแบบทําใจให้ยอมรับกับสิ่งที่มัน ที่มันเปลี่ยนไปอเปลี่ยนไปมากหนูเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ค่ะพยายามใช้ใช้เงินให้น้อยลงแล้วต่อไปแล้วก็อยากทําทงานได้น้อยลงไปเองค่พระอาจารย์ค่ะโอเคนะอทตานนี้ก็ได้ค่ะขอรับรอมค่ะพระอาจารย์วเวลาก็พอดีพอสมควรเกือบห้าห้าทุ่มวันนี้เริ่มสายหน่อยก็เลยชดเชยเวลาหน่อยก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพิจารณา ไปปฏิบัติเล้วความสุขความเจริญก้าวหน้าในทำยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ